วาทะความรักคนที่ใช่ไม่ได้แปลว่าของตายถ้าพฤติกรรมของคุณไม่ใช่ก็เปลี่ยนเขาหรือเธอจากใช่เป็นไม่ใช่ได้เสมอบทที่4รักษาความรู้สึกความรักคืออารมณ์คือความรู้สึกชนิดหนึ่งถ้าต้องการรักษาความรัก สิ่งที่ต้องรักษาก็คือความรู้สึกเดิมๆหรืออารมณ์เดิมๆไว้ให้ได้นั่นเองการนั่งกอดยืนกอดกันทั้งชาติไม่มีทางหล่อเลี้ยงความรู้สึกระหว่างกันไว้การรักษาความรู้สึกต้องใช้ใจไม่ใช่มือเท้าฉะนั้นก่อนอื่นท่องไว้ให้แม่นเลยว่าความเอาใจใส่คือสัญญาณว่าวันนี้ยังมีใจส่วนการตายใจ คือสัญญาณเริ่มตายไปของความรักคนส่วนใหญ่แทบร้อยทั้งร้อยอยังไม่ทันมั่นหรือแต่งงานขอเพียงไปมาหาสู่คุ้นเคยกันก็พร้อมจะเห็นกันและกันเป็นของตายหรือกระทั่งเห็นคนรักเป็นทางขยะทิ้งอารมณ์ส่วนตัวโลกนี้เต็มไปด้วยสิ่งล่อใจให้คิดอยากได้และพวกเราก็ตั้งหน้าตั้งตาแต่จะเอามาให้ได้ ถ้าว่าไม่มีความตระหนักว่ายิ่งได้มาเท่าไรก็ยิ่งต้องพยายามรักษาไว้เท่านั้นโดยเฉพาะความรักซึ่งเปรียบเหมือนสิ่งมีชีวิตที่หิวเก่งบาดเจ็บง่ายและตายไวเพียงชล่าใจไม่นานหันมาอีกทีคุณจะพบว่าในบ้านเหลือแต่ชายหญิงคู่หนึ่งที่เดินไปมาสวนกันส่วนความรักหนีออกจากบ้านไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ ถ้ารักแท้ได้มาง่ายคุณก็คงรักษามันไว้ได้ง่ายๆเหมือนปล่อยเป็ดไก่หากินตามลานดินเอาเองก็ไม่ตายแต่หากประสบการณ์บอกคุณว่ารักแท้เป็นสิ่งได้มาโดยยากคุณก็ควรรู้ว่าไม่อาจใช้วิธีทิ้งคว้างปล่อยให้มันเลี้ยงดูตัวเองแล้วจะรอดสำหรับบทนี้ก็จะครอบคลุมตั้งแต่อาหารหล่อเลี้ยงขั้นพื้นฐานไปจนถึงน้ำผู้อมริตที่บันดาลให้ความรักเป็นอมะตะ อยู่เหนือความตายของคู่รักได้อารมณ์หวานกับความรู้สึกนึกรักมักมาด้วยกันจะแค่นึกรักเดียวเดียวจะหลงรักนานหน่อยหรือจะแสนรักเหมือนชนะการเวลาต่างก็ยืนพื้นอยู่บนอารมณ์อ่อนหวานด้วยกันทั้งสิ้นแต่อารมณ์หวานที่น้อยลงก็ไม่ได้แปลว่าคุณหรือคนรักแปรใจบางคนสําคัญผิดคิดว่าอารมณ์หวานที่ลดลง หมายถึงไม่ได้รักกันแล้วความจริงคือพวกคุณไม่รู้จักทำให้อารมณ์หวานเติบโตขึ้นตามวันเวลาที่อยู่ได้กันต่างหากมันจึงตกตะกอนนอนก้นหรืออยู่ในสภาพมีเหมือนไม่มีวาทะความรักช่วงเริ่มปลื้มอารมณ์หวานคือพยานให้กับความรักแต่ช่วงเริ่มชิน อารมณ์หวานจะเป็นหลักฐานให้กับความไม่เที่ยงสังเกตเถอะอารมณ์หวานจะมากับการกระทาเช่นในช่วงต้นคนที่ใช่มักเป็นแรงบันดาลใจให้อยากทำอะไรหวานหวานบ้างต่อให้คุณเคยเป็นพวกเย็นชามานานแค่ไหนทุกครั้งที่เห็นหน้าคนรักอย่างน้อยก็ต้องอยากเรียกขานชื่อของเขาหรือเธอด้วยอารมณ์หวานบ้าง ซึ่งอาจออกแนวขี้เล่นกุ๊กกิ๊กขำๆอย่างเช่นสุดที่รักจา๋าถึงคำพูดคล้ายจะแย่ให้หัวเราะหรือแกล้งให้เลียนเล่นแต่อารมณ์หวานก็เกิดขึ้นในใจจริงๆและพวกคุณก็จะสัมผัสความจริงนั้นได้ด้วยใจอย่างไรก็ตามอารมณ์หวานของคุณจะผูกติดอยู่กับคนรักเพียงในระยะแรกที่ความปลื้มยังไม่จางนานไปพอะความปลื้มจางลง ซึ่งอาจเร็วกว่าสีบ้านอารมณ์หวานของคุณก็จะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปแม้จะรู้ตัวว่ายังคงปักใจอยู่กับเขาหรือเธอเช่นเดิมก็ตามและจะทำอย่างไรให้อารมณ์หวานยังคงอยู่คู่ชีวิตรักของพวกคุณคำตอบคือต้องทำอะไรห ว, วานๆบ้างอย่าเอาแต่มองหน้าหรือพูดจากันด้วยความเคยชิน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 คนรักจะประทับใจความคิดสร้างสรรค์ที่คุณทำให้โดยเฉพาะเหนือสิ่งอื่นใดแม้วันหนึ่งคุณหลงๆลงลืมลืมแล้วคนรักของคุณก็จะยังคงจดจาได้อย่างแม่นยาเสมอไปคำโบราณเขาเรียกซาบซึ้งตรึงตราซึ่งสมัยเนี้หายากแล้ววันเกิดก็เป็นวันรักษาอารมณ์หวานประจำปีด้วยนะครับเป็นวันที่ห้ามลืมเด็ดขาด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 ทางที่ดีทำให้เป็นกลางๆตั้งแต่แรกของขวัญซื้อแบบที่มีความหมายราคาไม่ถูกจนน่ายี้แล้วก็ไม่แพงจนคุณต้องหนักใจทุกปีและอย่าสร้างสรรค์บรรยากาศเห้จนลวงให้คนรักรู้สึกว่าตัวเองเป็นเจ้าหญิงหรือเจ้าชายเสร็จแล้วในปีหลังๆโดนลดบรรดาศักดิ์ค่อยๆเลื่อนลงมาเป็นสามัญชนและอาจตกหวบลงมาคล้ายไพร่เพราะท่านั้นไม่มีใครทนไหวหรอกครับ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 ขอแค่รู้จักเลือกของดีไม่กี่ชิ้นไปถวายพระแค่นั้นก็พอๆกันหรือเลิด ก, กว่าไปฮันนีมูนแล้วลองถวายสังฆทานด้วยความมีใจเลื่อมใสศรัทธาร่วมกันเอาให้ได้สี่วัดภายในวันเดียวระวังอย่าให้เกิดการทะเลาะเบาแวงในวันนั้นแล้วดูว่าอะไรเกิดขึ้นกับความรู้สึกของคุณความสบายใจอย่างประหลาดหรือความสุขอันโอฬาน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 ไม่ว่าจะกี่เดือนกี่ปีผ่านไปก็ตามสรุปคือทางเดียวที่จะรักษาน้ำหวานที่ลดระดับลงคือต้องเติมของใหม่เพิ่มลงไปทุกวันนะครับวิตามินคือสารสำคัญที่ร่างกายของคุณต้องได้รับมิฉะ น, นั้นก็อาจเจ็บป่วยฉันใดก็ฉันนั้นรอยยิ้มและเสียงหัวเราะคือวิตามินที่รักแท้ต้องได้รับ มีฉน้นอาจสุดโทมลงอย่างรวดเร็ววาทะความรักเสียงหัวเราะเป็นได้ทั้งวิตามินและยาสมานแผลคนเราใช้ชีวิตระมัดระวังอย่างไรก็ต้องเจอดีได้แผลบนเนื้อตัวเข้าสักวัน ซึ่งหมอก็ปรุงยารักษาหรือสมานแผลไว้หลายขนาดแม้แต่น้ำพึ่งหวานๆก็มีสรรพคุณสมานแผลได้ดีเนื่องจากความเข้มข้นของน้ำพึ่งจะทำให้เชื้อโรคฝ่อตายและนั่นก็เช่นกันรอยยิ้มกับเสียงหัวเราะเปรียบเสมือนน้ำพึ่งที่สมานแผลให้รักแท้ได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางอารมณ์จนได้แผลทางใจระหว่างคุณกับคนรัก วิตามินเป็นสิ่งที่ควรกินตุนไว้ทุกวันส่วนยาสมานแผลก็ควรมีประจำบ้านไว้ก่อนเกิดแผลไม่ใช่เกิดแผลแล้วค่อยวิ่งหาซื้อมันอาจช้าไปหน่อยถ้าคุณเลือกได้คนที่ใช่ตามแนวทางในบทก่อนแนวโน้มคือคุณกับคนรักจะพูดจากันด้วยความเข้าอกเข้าใจอยู่ร่วมกันด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ ทั้งนี้เพราะความรักทำให้ใจเปิดและสมองเบาดังนั้นอะไรที่เกิดขึ้นกับความรักจึงมักเป็นเรื่องเบาสมองได้หมดแต่คนเรามักโห่รอต่อกระซิกกันแค่ในช่วงต้นพอเข้ามาอยู่บ้านเดียวกันก็ชักลืมลืมคล้ายต่างคนต่างต้องแอบไปโหเราอ ก, กับเพื่อนนั่นถือเป็นความผิดอย่างใหญ่หลวงร่วมกันต้องมีสักคนพาเสียงโหเราอ ก, กลับมานะครับ หากรู้ตัวว่าคุณเป็นเสือยิ้มยากหรือสิงเส้นลึกที่โหระไม่ค่อยเป็นอันเนี้ยน่าปรับปรุงผมไม่ได้จะให้พวกคุณแกล้งขำโดยไม่มีเหตุผลเหมือนคนบ้าแต่อยากให้ใช้ความเครียดหรือความขี้โมโหของคุณนั่นแหละเป็นสนามฝึกปล่อยอารมณ์ขันวิธีนั้นไม่ยากแต่ต้องจำขั้นตอนให้แม่นและตั้งสติให้ทันเท่านั้น ตอนคุณกําลังตึงเครียดหรือรเผชิญปัญหากับคนรักด้วยความรู้สึกอึดอัดใจคุณจะหนักอึง้งความคิดวนเวียนอยู่แต่ว่านี่เป็นเรื่องแย่คุณจาเป็นต้องรู้สึกแย่ๆและแบกความอึ้งหนักนั้นเอาไว้ไมิฉะนั้นจะเหมือนไม่ให้ความสำคัญกับปัญหาแต่ถ้าพลิกมุมมองใหม่แค่นิดเดียวถามตัวเองว่าทาไมต้องให้ความสาคัญกับปัญหามากกว่าใจด้วยละ่ะ เมื่อเห็นค่าของใจเมื่อเห็นแก่จิตมากกว่าเรื่องนอกตัวคุณจะฉลาดขึ้นทันทีอย่างน้อยก็เลิกสำคัญผิดคิดว่ามีปัญหาต้องทำใจหนักๆจึงจะสมควรใจหนักๆตันๆน่ะคิดไม่ค่อยออกนะครับไม่ใช่คิดได้แคล่วคล่องว่องไวท่องไว้เป็นคาถาประจําตัวก็ได้ยิ่งหนักอกเท่าไรยิ่งโง่หนักขึ้นเท่านั้น ขอให้อกใส่ใจเบาขึ้นหน่อยเถอะถอยออกมาจากตรงนั้นแล้วคุณจะเห็นเล็วว่าความหนักอกทำให้คิดช้าลงตัดสินใจผิดพลาดง่ายขึ้นหลังจากพลิกมุมมองได้จริงๆแล้วต่อไปพอเกิดเรื่องกดดันให้เครียดหรือสอเขาว่าจะมีปากเสียงกันคุณจะไม่สงสัยตาจ้องหน้าคนรักอย่างเดียวแต่จะเฉลี่ยนึกขึ้นได้ว่าเอาแล้วหนักอกแล้ว และกำลังจะพูดอะไรโง่แล้วทันทีที่รู้สึกตัวจิตจะเริ่มฉลาดขึ้นทันทีและคลายอาการยึดมั่นถือมั่นออกได้เองดุจเดียวกับการปลดตะขอปล่อยถุงขยะทิ้งพื้นการปลดตะขอแห่งความยึดมั่นออกจะทำให้ใจคุณโลง่งและเข้าสู่ภาวะรับความจริงได้พร้อมจะแก้ปัญหาได้ตลอดจนพร้อมจะพูดอะไรฉลาดฉลาดออกไปอย่างทันการ ที่เด็ดคือความเบาสมองจะช่วยให้คุณคิดมุกตลกออกไม่เอาแต่ทำหน้าเครียดติบตันอั้นตู้ยกตัวอย่างนะครับตอนสมองค้นหนักคุณอาจอยากร้องอุทานว่าเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้วะแต่ถ้าคุณมีอารมณ์ขันเป็นฐานแข็งแรงพอใจจะคลายได้ในพริบตาและเปลี่ยนเป็นโอ้ย oh, ทำไมเป็นอย่างนี้ได้เลยจ้าสุดที่รัก ทั้งสีหน้าสีตาท่าทางตลอดจนน้ำเสียงของคุณรวมกันอาจบ่งได้ว่าคุณยังโมโหอยู่นั่นแหละคำว่าสุดที่รักอาจถูกเค้นออกมาด้วยน้ำเสียงคืนหรือครึ่งเครียดแต่ไม่ใช่แบบขาดสติแล้วก็ไม่มีความคิดประทุสร้ายคนรักเจืออยู่ด้วยเลยยิ่งไปกว่านั้นตัวถ้อยคำที่เกินเกินยังแฝงแววตลกดูออกว่าอีกไม่กี่ริบตาคุณก็หวัวเราะได้ และนั่นก็อาจทำให้คนรักของคุณชิงหัวเราะตัดหน้าซะก่อนถ้าตั้งต้นอยู่ด้วยกันเป็นอย่างนี้ยิ่งเกิดเรื่องหน้าโมโหบ่อยขึ้นเท่าไรระหว่างคุณกับคนรักก็จะยิ่งอบอวนด้วยบรรยากาศขาขันมากขึ้นเท่านั้นและเช่นกันหากเกิดเรื่องร้ายแรงให้ต้องทะเลาะเบาแวงหนักๆชนิดที่ตอนแรกยังจุกอกหวเราะไม่ออก หรือกระทั่งรู้สึกเหมือนเกิดรอยร้าวขึ้นในหัวใจต้องเมินเมินหรือเหินห่างกันสักพักถึงจุดหนึ่งเมื่อพอที่จะหันหน้าเข้าหากันเสียงหัวเราะและรอยยิ้มจะมามีบทบาทสำคัญในการช่วยประสานสัมพันธ์ได้อย่าไปเชื่อใครนะครับว่าความรักเหมือนแก้วเปร่าบางร้าวแล้วไม่อาจประสานและความจริงก็คือ คุณอาศัยเสียงหัวเราะและอารมณ์ขันประสานรอยร้าวได้สนิท ด, ดังเดิมหรืออาจจะแนบเนียนยิ่งกว่าเดิมซสอีกและถ้าเลือกได้มันดูหนังตลกหรือที่ทำให้หัวเราะคลึกครื้นร่วมกันมากกว่าหนังสยองขวัญหรือหนังเศร้าโศกวดหูก็จะดีความจริงถึงเป็นหนังประเภทไหนถ้าได้ดูกับคนรักก็มีความสุขทั้งนั้น แต่หนังตลกหรือหนังน่ารักที่พวกคุณดูแล้วยิ้มหรือหัวเราะร่วมกันบ่อยๆจะสร้างแนวโน้มทางอารมณ์ให้พวกคุณอยากคุยกันในเรื่องเฮฮามากกว่าเรื่องเคร่งเครียดหัวข้อนี้ท่องไว้นิดเดียวก็ได้วิตามินยังต้องกินวันละหนฉะนั้นพวกคุณก็ต้องหัวเราะร่วมกันให้ได้อย่างน้อยวันละครั้งและคำแบบฝืดๆกับคำแบบไม่จริงใจเนี่ยไม่ถือเป็นวิตามินนะครับ สรุปคือทำใจเบาๆทำสมองเบาๆเข้าไว้ให้ชินแต่เนิ่นๆเถอะแล้วจะรู้เองว่าทุกปัญหาในโลกนี้เบาเหมือนปุยนุ่นได้หมดแต่ถ้าคุณมองอย่างยึดมั่นถือมั่นเป็นจริงเป็นจังไปทุกเรื่องโลกนี้ทั้งใบก็คือลูกเหล็กให้คุณอุ้มความรู้สึกเล็กๆน้อยๆที่ดูเหมือนไม่มีอะไรหรือเหมือนชินชินผ่านๆไปนั่นแหละครับ พอผ่านเดือนผ่านปีสะสมรวมตัวกันแล้วจะกลายเป็นความรู้สึกที่แท้จริงที่มีต่อกันวาทะความรักความรู้สึกเล็กๆน้อยๆคือเรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิตคู่ เพราะไม่มีความรู้สึกใดเกิดขึ้นบ่อยเท่านี้อีกแล้วความรู้สึกเล็กๆน้อยๆที่ดูเหมือนไม่มีอะไรหรือเหมือนชินๆผ่านานไปนั่นแหละครับเพราะผ่านเดือนผ่านปีสะสมรวมตัวกันแล้วจะกลายเป็นความรู้สึกที่แท้จริงที่มีต่อกันคิดให้ดีคนเราครบหาและอยู่ร่วมกัน ส่วนใหญ่จะมีแต่ความรู้สึกเล็กๆน้อยๆนานทีปีหนหรอกถึงจะเกิดความประทับใจใหญ่ๆขึ้นมาและเวลาคนเราระลึกถึงกันก็จะนึกถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นระหว่างอยู่ด้วยกันตามปกติไม่ใช่ความรู้สึกแสนพิเศษในเทศกาลไหนฉะนั้นเร่งสำรวจเถอะวิธีทักทายยามเจอกันคุณยิ้มให้หรือเมินเฉย วิธีใช้คำทักคุณพูดทีเล่นทีจริงเช่นวันดีอีกแก่บ่อยแค่ไหนวิธีใช้หางเสียงคุณออกห้วนตลอดหรือทอดเสียงอ่อนโยนบ้างวิธีเจรจาปัญหาคุณใช้เสียงกระด้างหรือนุ่มนวลเป็นเหตุเป็นผลวิธีแสดงความไม่เห็นด้วยคุณใช้โทสะหรือเมตตา วิธีพูดว่าไม่ให้คุณอธิบายเหตุผลอย่างดีหรือมีเพียงคำปฏิเสธวิธีแสดงความไม่พอใจคุณใช้ท่าทีกระแนะกระแหนะหรือรอให้หายขุนแล้วค่อยพูดเวลาอยู่ท่ามกลางเพื่อนฝูงคุณจิกกัดแบบขายกันเองหรือยกยอปอปั้นกันดีๆเวลาเห็นอีกฝ่ายเหนื่อยคุณเอาเรื่องเย็นไปลูบ หรือเอาเรื่องร้อนไปช่วยซ้ำเวลาอีกฝ่ายเข้ามาสัมผัสคุณเบี่ยงหลบหรือสัมผัสตอบเวลาไปเที่ยวกันคุณคุยโทรศัพท์กับเพื่อนเป็นชั่วโมงหรือรีบขอวางเวลาเดินไปด้วยกันคุณเลหนุ่มเลสาวย่างเปิดเผยหรือขอแค่ตอนคนรักเผลอเวลาป่วยไข้ คุณอยู่ตรงนั้นเนิ่นนานหรืออ้างทุระขอตัวเร็วเวลาร้องไห้คุณเป็นความอบอุ่นหรือตัวเพิ่มความเหน็บหนาวคนเราจะทำตามอํานาจความเคยชินละทุกคู่นะครับถ้าผ่านเดือนผ่านปีไปนานๆถึงเวลานั่งปรับความเข้าใจครั้งใหญ่กันเมื่อใดก็มักอาปากหวอด้วยความงงว่าเรื่องแค่เนี้ย คิดด้วยเหรอทุกสิ่งที่คุณทำกระทบหูกระทบตาคนรักมันกระตุ้นให้คิดหมดแล้วครับถ้านึกว่ามีสิ่งใดเป็นเรื่องเล็กขอให้คิดใหม่และให้ถามตัวเองว่าถ้าจะให้เรื่องเล็กๆนั้นแปลเป็นความทรงจำด้านดีคุณจะต้องลงทุนอะไรบ้างส่วนใหญ่นะครับก็แค่เปลี่ยนคำพูดบางคำ หรือกระทั่งเปลี่ยนนำเสียงเส้นใหม่ในระยะยาวคุณจะอยู่ในความทรงจำของคนรักเป็นอีกแบบหนึ่งอย่างสิ้นเชิงตัวตนของคุณในความทรงจำของคนรักนะ่ะเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็กล่ะครับสรุปคือต้องให้ค่าความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งกับความรู้สึกเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ใช่ให้เป็นอันดับสุดท้ายอย่างที่ทากันผิดๆเกือบทุกคู่ ทุกครั้งที่เอ่ยถึงความรักสิ่งแรกที่คนส่วนใหญ่จะนึกถึงคือความสุขหวานแหววพอพบรักที่กำลังสดชื่นตื่นใจก็ลิงโลดหัวใจพองโตราวกับขึ้นสวรรค์และปักใจว่านี่แหละรางวัลทางความรู้สึกที่คนคนหนึ่งควรได้รับจากความรักแต่พออยู่กับความรักไปได้สักพักพบว่ารักไม่ได้มีให้แต่ความสุข แต่ยังพ่วงทุกขมาด้วยอีกเป็นขบวนยาวสีหน้าสีตาคุณจะเปลี่ยนไปเป็นผิดหวังซึมเศร้าและอยากถอยหนีแต่ก็เป็นไปแบบกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเพราะชักสับสนว่าที่เผชิญอยู่นั้นเป็นสุขหลอกๆอกทุกจริงจริงหรือว่าสุขจริงๆทุกหลหลอกกันแน่ความอ่อนแอทางกายจะทำให้คุณมีภูมิต้านทานโรคต่า ส่วนความอ่อนแอทางวิญญาณจะทําให้คุณมีภูมิต้านทานความทุกข์น้อยถ้าพื้นฐานของคุณเป็นคนมีความอดทนสูงความรักก็จะไม่ถูกกระทบกระเทือนให้สั่นคลอนง่ายนักแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณเข้าใจความจริงข้อนี้ได้แค่ไหนด้วยครับความจริงคือเหตุการณ์ภายนอกไม่ใช่ทั้งสุขไม่ใช่ทั้งทุกข์ สุขและทุกข์เป็นของจริงที่เกิดขึ้นจริงในใจคุณแล้วก็จะหายไปจากใจคุณจริงๆเช่นกันสุดแต่ว่าจะช้าหรือเร็วเท่านั้นคุณไม่ได้กําลังหายใจอยู่บนสวรรค์คุณกําลังปักหลักยืนอยู่บนพื้นดินและบนพื้นดินนี้ก็มีทั้งเรื่องน่าชอบใจและไม่น่าชอบใจเรียงรายหลายหลากฉะนั้นอย่าหวังว่าจะไม่เป็นทุกข์เลยอย่างเด็ดขาด แม้จะได้รับการคุ้มครองจากคนรักคุณก็มีสิทธิ์แค่คาดหมายว่าคนรักจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอไม่ว่าจะกำลังเป็นสุขหรือเป็นทุกข์และในทางกลับกันคุณเองก็ต้องเป็นความคาดหวังให้คนรักเช่นเดียวกันด้วยวาทะความรักรักแท้ไม่ได้แปลว่ามีความสุขตลอดการ แต่หมายถึงการร่วมสุขร่วมทุกข์ด้วยกันตลอดไปเวลาคนรักเป็นสุขคุณอยู่ที่นั่นไหมแล้วเวลาที่คนรักเป็นทุกข์ล่ะคุณอยู่ด้วยหรือเปล่าขณะกําลังสวยสุขคนรักจะเป็นสุขยิ่งขึ้นถ้ามีคุณร่วมสุขด้วยอีกคนเหมือนเทียนสองดวงย่อมสว่างกว่าเทียนดวงเดียว และการประสานแสงสุขคู่กันย่อมให้รถดูดดืม่มแตกต่างจากการส่องแสงสุขของจิตเพนโดดเดี่ยวเอกาและขณะกำลังเสวยทุกความรู้สึกของคนรักเหมือนเปลว เ, เทียนดับก็อาจกลับส่องสว่างได้ใหม่ถ้าแสงสุขของคุณยังไม่มอดการมีคุณอยู่ข้างเคียงย่อมเปรียบเหมือนการต่อเทียนให้ใหม่แทนเปลว เ, เดิมที่ดับแล้วสาคัญคือ พวกคุณต้องไม่เป็นเปลว เ, เทียนที่ดับพร้อมกันเมื่อเห็นทำท่าริบรี่จะดับรอมรอทั้งคู่ต้องปลุกปลอดกันและกันเป็นกำลังใจให้กันและกันว่าเราจะกอดคอกันลุกไม่ใช่เหนียวตัวกันลม้มคนในโลกเป็นความห่อเหี่ยวให้แก่กันและกันอยู่แล้วทุกคนจึงต้องการใครสักคนที่ไว้ใจได้ว่าจะเป็นความชุ่มชื่นให้และนั่นก็คือ ความหมายของการพบรักและมีคนรักไว้เคียงกันเพียงเริ่มต้นด้วยความตั้งใจจะเป็นความชุ่มชื่นอุบายวิธีจะหลั่งไหลามาเหมือนน้ำรินเหมาะกับการดับไฟในแต่ละสถานการณ์ไปเองช่วงเวลาที่มีกันและกันทั้งยามสุขและยามทุกข์จะประทับลงในความจำของคุณไปจนตายฉะนั้นจึงคุ้มที่จะอยู่ที่นั่นแม้คุณจะต้องแลกกับอะไรบ้าง ก็เชื่อเถอะว่ามีไม่กี่อย่างในโลกนี้หรอกที่คุ้มกว่าความทรงจำอย่างได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคนรักคู่รักที่มีความทรงจำร่วมกันน้อยจะมีความเดียวดายติดอยู่ในความทรงจำมากเกินไปจนกระทั่งจำได้แม่นอย่างเดียวคือความสูญเปล่าของการมีกันและกันสรุปคือ เมื่อคนรักเป็นทุกข์อย่าทิ้งเมื่อคนรักเป็นสุขให้รีบเสนอหน้าก่อนใครวาทะความรักไม่สำคัญว่าพวกคุณแก้ปัญหาอย่างไรมันสำคัญที่พวกคุณพยายามแก้ปัญหาด้วยกันหรือเปล่า เพราะโลกนี้มีโจรตำรวจจึงเป็นความอุ่นใจเพราะชีวิตนี้มีโรคหมอจึงเป็นความอุ่นใจและเพราะการครองเรือนเต็มไปด้วยปัญหาคนรักจึงเป็นความอุ่นใจยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดคิดให้เห็นคู่ตรงข้ามเช่นนี้แล้วความรู้สึกที่มีต่อปัญหาน่าจะเปลี่ยนไปได้บ้างนะครับแม้ว่าปัญหาจะไม่ใช่สิ่งดีที่น่ารอคอย ก็เป็นสิ่งน่าสนใจไม่น้อยถ้าคิดว่ามันเป็นเหตุให้คุณกับคนรักรู้จักความอุ่นใจในการมีกันและกันแต่ละคนมีดีมีสิ่งที่อีกฝ่ายขาดอยู่เสมอขอเพียงเปิดโอกาสให้ปัญหามาเป็นเครื่องพิสูจน์เถอะทุกครั้งที่ช่วยกันปัดเป่าปัญหาใหญ่น้อยให้ผ่านพ้นไปได้พวกคุณจะรู้สึกอุ่นใจกับการมีกันและกันมากขึ้นทุกที อาจเพราะได้เห็นเปรียบเทียบว่าดีกว่าแก้ปัญหาด้วยความเหน็บหนาวตามลำพังเพียงใดนั่นเองสำคัญคืออย่าเผลอหันเอาแง่าร้ายของแต่ละฝ่ายมาซ้าเติมปัญหาเท่านั้นจุดเริ่มต้นของการรู้จักร่วมกันแก้ปัญหาอาจเป็นอะไรที่ง่ายดายแค่ยกของหนักด้วยกันแค่ล้างจานด้วยกันแค่ทาความสะอาดบ้านด้วยกัน แค่ช่วยทําครัวด้วยกันลองสำรวจถือว่าอย่างไหนให้ความรู้สึกดีกว่าระหว่างทาคนเดียวกับมีอีกคนช่วยการหัดทําภาระเล็กๆน้อยๆให้ลุล่วงจะจุดชนวนให้ระบบความคิดของคุณทั้งสองสามารถประสานงานกันเห็นการขจัดอุปสรรคคือเรื่องเป็นไปได้ด้วยการร่วมแรงร่วมใจแต่ถ้างานไหนต้องการสองแรงร่วมกัน และมีอีกฝ่ายหนึ่งละนี้ด้วยความคิดเอาเปรียบก็จะเป็นชนวนความคิดทำนองเรื่องของแกและฉันไม่เกี่ยวจนติดเป็นนิสัยและกลายเป็นชีวิตคู่แบบต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างพยายามผักภาระทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูตามจริงด้วยนะครับว่าขอบเขตความสามารถในการแก้ปัญหาหนึ่งหนึ่งของคุณ มีมากหรือน้อยกว่าคนรักบางคนเป็นพวกไฮเปอร์จัดอยากแสดงให้เห็นว่าช่วยคนรักแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องอาจกลับกลายเป็นเพิ่มปัญหาอย่างบริสุทธิ์ใจไปโน้นสรุปคือเมื่อปัญหามาทำอะไรได้ให้รีบทำและเป็นการทำร่วมกันด้วยแต่ถ้าทำไม่ได้ก็อย่าเพิ่งเข้าโหมดขยันปล่อยให้ฝ่ายที่ถนัดกว่าแก้ปัญหาไป แค่คุณคอยเอาใจช่วยหรือคอยอยู่ฝ่ายสนับสนุนเมื่อคนรักขอก็นับว่าดีพอแล้วแต่ละคนมีปัญหาติดตัวมาเสมอเช่นปัญหานอนห้องแอร์แล้วแพ้ปัญหาฟังเพลงลุกทุ่งได้แนวเดียวปัญหากรนดังปัญหานิยมดูดบุหรี่ก่อนนอนปัญหาเข้าผู้ใหญ่ไม่ค่อยเก่งและอื่นอื่น ปัญหาส่วนใหญ่จะไม่เป็นปัญหาถ้าอยู่คนเดียวแต่จะเริ่มเป็นปัญหาทันทีเมื่อมาอยู่ร่วมกับใครอีกคนคิดไปคิดมาคุณอาจมองก็ได้ว่าคนเราแตกต่างกันการเอาความแตกต่างมาอยู่ร่วมกันนั่นแหละคือตัวปัญหาเมื่อปัญหามันเริ่มสอเข้ามาตั้งแต่ตอนจับคู่กันคุณก็ต้องเตรียมใจไว้ว่าคู่รักเริ่มต้นจากความเข้ากันได้เป็นบางส่วน และเข้ากันไม่ได้เป็นบางส่วนเสมอต่อเมื่อได้อยู่ด้วยกันล ง, ลงท้ายจะพบว่าคุณกับคนรักเข้ากันได้เป็นบางส่วนและเข้ากันไม่ได้เป็นบางส่วนอยู่ดี <another> การเตรียมใจจะนำไปสู่ความพร้อมในการยอมรับความจริง <Yes. S 1> ตลอดจนยอมปรับตัวบางอย่างไม่ใช่จะเอาแต่พยายามปรับทุกอย่างให้มาเข้ากับตัวท่าเดียว วาทะความรักปัญหาที่น่าหนักใจที่สุดของชีวิตคู่คือการเอาคนมีปัญหาสองคนมาอยู่ด้วยกันเมื่อความรักถูกสร้างขึ้นจากคนสองคนที่ไม่เหมือนกันความรักจึงคล้ายการประกอบประกอบของวัตถุสองชิ้นที่ต่างเหลี่ยมต่างทรง คุณจําเป็นต้องหาจุดที่เชื่อมต่อกันได้มาเป็นศูนย์กลางยึดเหนี่ยวไว้และปล่อยให้เหลี่ยมมุมที่เหลือหันไปอยู่ด้านนอกไกลๆ ไ, ไม่ต้องมาโดนกันอยู่กับสิ่งที่พอใจร่วมกันให้มากจับตามองจุดนั้นให้ชัดและความไม่น่าพอใจจะดูคล่าเลือนไปเองเช่นพวกคุณชอบพักการเมืองคนละฝากพักคนหนึ่งเข้าข้างรัฐบาล อีกคนเข้าข้างฝ่ายค้านก็อยากคุยเรื่องการเมืองหันหัวข้อเกี่ยวกับการเมืองออกไปห่างๆไม่ว่าจะนึกคึกอยากด่านักการเมืองแค่ไหนพยายามเห่หัวสนทนาไปหาเรื่องที่ชอบด้วยกันเป็นต้นว่ารายการทีวีสุดโปรดหนังใหม่ประจำสัปดาห์เบื้องหลังการถ่ายทาเป็นต้นขอให้ชอบด้วยกันใจตรงกันเถอะ ยิ่งคุยเรื่องที่ใจตรงกันบ่อยขึ้นเท่าไรคุณจะรู้สึกว่าส่วนที่ต่างกันลดน้อยถอยลงเรื่อยๆเท่านั้นตอนอยู่บ้านบางทีคุณต้องพูดบางเรื่องที่ชอบใจให้น้อยลงเพื่อเพิ่มความชอบใจในการอยู่บ้านร่วมกับคนรักให้มากขึ้นสรุปนะครับ การเตรียมใจไว้ล่วงหน้าเป็นที่มาของการปรับตัวปรับความรู้สึกและปรับวิถีชีวิตให้เข้ากับตัวจริงของคนรักแต่การคาดหวังว่าทุกอย่างจะเป็นดังเดิมเหมือนเมื่อครั้งเป็นโสดก็คือการนับถอยหลังเข้าสู่ภาวะรับไม่ได้ทนไม่ไหวนั่นเองวาทะความรัก คนเราจะทำผิดกี่ครั้งก็ถูกหมดถ้าพยายามแก้ไขการเรียนรู้จากความผิดพลาดคือคุณสมบัติเด่นที่มนุษย์ทำได้เหนือกว่าสัตว์อื่นและยิ่งกว่านั้นนะครับการเปลี่ยนความผิดพลาดให้เป็นความถูกต้องหรือกลับร้ายให้กลายเป็นดีพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสคืออาวุธชิ้นเดียวที่มนุษย์จะชนะกรรมก่าวเน่าๆของตัวเองได้ คุณๆที่เชื่อหมอดูนะครับถ้าหมอดูระดับประเทศทายทักว่าดวงต้องเลิกกันคุณจะหักคำทานายได้ก็ด้วยอาวุธชิ้นนี้แหละหมอดูแม่นๆอาจทายถูกว่าคุณกับคนรักจะลงเอยดีหรือร้ายก็เพราะกรรมเก่าของพวกคุณถูกฟ้องไว้หมดแล้วบนดวงดาวแต่หมอดูไม่มีทางบอกถูกว่าคุณจะเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีด้วยท่าไหน เพราะกรรมใหม่ของพวกคุณอยู่ที่การตัดสินใจซึ่งยังไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อนเลยสาเหตุของการเลิกร้างกันจะว่าไปก็เป็นเรื่องตื้นๆแต่แก้ยากของมนุษย์นั่นคือทำผิดแล้วไม่รับผิดอย่าว่าแต่จะพยายามแก้ไขจากผิดให้เป็นถูกเลย อัตตาของคนเราจะบีบให้รู้สึกว่าตัวเองดีอยู่แล้วไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรอีกแล้วคนอื่นนั่นแหละต้องเปลี่ยนให้เหมือนกับที่เราคิดการฝึกนิสัยเปลี่ยนผิดให้เป็นถูกนั้นเริ่มง่ายๆจากตัวของคุณนี่แหละถ้ารู้ว่าเหม็นก็หมั่นอาบน้ำให้บ่อยขึ้นลงทุนซื้อยาสีฟันดีๆมาฆ่าแบคทีเรียนในปากเพื่อยับยั้งกลิ่นซะ ผมเภาอย่าปล่อยรุงรังเป็นทาสานเข้าเมืองเป็นต้นนิสัยปล่อยตัวตามสบายเนี่ยถ้าอยู่คนเดียวในห้องเล็กๆตามลำพังก็เรื่องของคุณแต่เมื่ออยู่ร่วมบ้านกับคนอื่นมันคือการรบกวนมันคือความผิดมันคือความไม่เห็นอกเห็นใจคนอื่นมันคือความเห็นแก่ตัว กระโดดจากความผิดเล็กๆขึ้นไปหาความผิดใหญ่ๆกันเลยอย่างเช่นเรื่องชู้สาวที่มักเป็นตัวการเรียกใบยาอันดับต้นๆนั้นไม่ได้แค่ท้าทายความรู้สึกผิดชอบชั่วดีอย่างเดียวแต่ยังเป็นบทพิสูจน์ด้วยว่าคุณมีความพยายามแก้ไขความผิดสักแค่ไหนหากคุณหน้ามือถล่าเข้าห้องลับกับใครที่ไม่ใช่คู่ผัวตัวเมีย คุณได้ชื่อว่าผิดแล้วที่ตั้งใจละเมอเสียนข้อกาเมแต่ยังแก้ไขได้ทันถ้ากลับลำเดินพรวดพลาดออกจากห้องเซก่อนจะมีการเข้าได้เข้าเข็มการแก้ไขข้อผิดพลาดของคุณจะยังไม่ทำให้คุณทำผิดสำเร็จแค่มัวหมองไปบ้างศีลด่างพร้อยไปหน่อยแต่จุดใหญ่ใจความคือคุณพูดได้เต็มปากว่า คุณยังไม่ได้ทำผิดคุณยังเป็นคนถูกอยู่คุณยังไม่ทำศีลขาดแต่หากคุณหน้ามืดตามัวขณะทุกกระบวนการดำเนินไปเองจนเสร็จสิ้นราวกับนักบินเข้าหมดบินอัตโนมัติประทับตราค่าคือชู้ไว้ในวิญญาณเรียบร้อยแล้วคุณก็ได้ชื่อว่าผิดศีลข้อกาเมทำํำศีลขาดทะลุอย่างสมบูรณ์แต่คุณยังไม่ตาย ยังมีโอกาสกลับตัวยังทันเปลี่ยนแปลงตนเองไม่ให้ตายเยี่ยงคนทุศีนได้การกลับตัวกลับใจไม่ได้เริ่มขึ้นบนเตียงแต่เริ่มขึ้นได้ที่นี่เดี๋ยวนี้ในใจคุณแค่ตั้งใจเด็ดเดี่ยวว่าจะไม่เอาอีกเป็นตายอย่างไรไม่มีการทําอีกนั่นแหละครับรอจากการเป็นคนทุศีนมาครึ่งหนึ่งแล้ว และเมื่อมีตัวยั่วมาล่อให้เข้าห้องแห่งความลับอันดำมืดอีกครั้งหรือหลายๆครั้งนั่นแหละคือโอกาสพิสูจน์ตัวว่าเลิกเป็นคนทุศีลเด็ดขาดแล้วขอเพียงคุณปฏิเสธหรือปฏิญาณไว้ว่ายอมตายดีกว่าเสียสัตว์เสียศีลนะครับถ้ามีมันจุกอกกดดันจนเลือกกำเดาออกตายก็ให้ตายไปเลย ตายเพื่อรักแท้หรือตายเพื่อรักษาศีลก็ได้ชื่อว่าตายอย่างคนถูกคนดีทั้งสิ้นนอกจากเรื่องชู้สาวที่ถือเป็นความผิดขั้นอาญาต่อรักแท้ยังมีความผิดอีกชนิดหนึ่งที่แม้ไม่ผิดขั้นอุกฉกรรจ์เยี่ยงการมีชู้ก็ถือว่าฆ่ารักแท้ให้ตายแบบผ่อนส่งได้ความผิดชนิดนี้เป็นผิดซ้อนผิดและจัดเป็นโรคชนิดหนึ่งของมนุษย์เรา นั่นคือโรคยัดเยียดความผิดให้คนอื่นความผิดหนึ่งหนึ่งนี่นะครับส่วนใหญ่แค่ยอมรับก็สิ้นเรื่องแล้วให้อภัยได้แล้วแต่เพราะคนเรามีโรคบ้าอัตตามีทิฐิมานะอยากปกป้องตนเองแทนที่ผิดแล้วจะยอมรับผิดก็กลับไปยัดเยียดให้คนอื่นดูชั่วแล้วตัวเองดูดีไปเสียหมดคนเป็นโรคนี้ถ้าเข้าขั้นเรื้อรัง ชนิดเอาตะปูตอกหน้าไม่เป็นรูแล้วแล้วก็ไม่ทราบจะอภัยท่าไหนดีเลยครับในเมื่อเจ้าตัวยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตนผิดและจะให้ไปรับการอภัยจากใครได้ขอให้ระลึกไว้ว่าเวลาเกิดกรณีใครผิดใครถูกขึ้นมามีคุณคนเดียวที่รู้อยู่แก่ใจว่าทำอะไรหรือไม่ทำอะไรลงไปบ้างตลอดจนตั้งใจหรือไม่ตั้งใจไว้แค่ไหนฉนั้น มีแค่คุณเองที่พิภาคษาได้เที่ยงธรรมคนอื่นได้แค่ปรักปรำตามที่เห็นหรือคาดเดาเอาถ้าคุณยืนยันจะไม่พิภาคษาให้ตัวเองผิดยืนกระต่ายขาเดียวจะยัดข้อหาให้คนอื่นแม้รู้ทั้งรู้อยู่แก่ใจว่าตัวเองคือต้นเหตุบ้านจะเริ่มเบี้ยวบิดผิดรูปไปทีละน้อยจริงๆนะครับพูดเหมือนหนังการ์ตูน แต่ลองสังเกตดูจะทราบว่าเป็นอย่างนั้นแหละหากคุณทําผิดแล้วไม่รับตัวเองทําบอกว่าคนอื่นทํากล้าโกหกกล้ากลับดําให้เป็นขาวข้าวของจะขวางหูขวางตาง่ายคนในบ้านจะเป็นเป้าให้เพ่งโทษง่ายราวกับบ้านทั้งหลังไม่สมประกอบผิดสัดส่วนผิดปกติไปหมดไม่น่าพอใจไปหมดโลกไม่ได้บิดเบี้ยว จิตของคุณนั่นแหละบิดเบี้ยวนิสัยเอาดีเข้าตัวโยนชั่วให้คนอื่นนั้นเมื่อเป็นแล้วแก้ายากมากนับวันจะทวีขึ้นเรื่อยๆมีวิธีเดียวคืออย่าเริ่มเป็นมันเลยอย่าให้มีก้าวแรกเป็นนับหนึ่งขึ้นมาได้เพราะคุณอาจได้นับถึงสิบภายในเวลาอันสั้นและถึงตรงนั้นคุณจะลืมวิธีคิดอย่างมีเหตุผลรูปความคิด จะวิกลวิการผิดจากเดิมจนไม่เหลือความน่ารักแล้วทุกคนเริ่มจากความไม่รู้และการถูกกิเลสจูงจมูกไม่มีใครเริ่มต้นชีวิตได้ด้วยความไม่ผิดฉะนั้นให้มีความรักเป็นกำลังใจในการเปลี่ยนผิดเป็นถูกเสียและคุณจะได้จำว่าความรักทำให้คุณเป็นคนดีขึ้นความรักเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้ ถึงเวลานั้นจะได้รู้ไงครับว่าความรักมีค่าขนาดไหนสรุปคือปากที่แก้ตัวเก่งอาจพาคุณรอดตัวครั้งแล้วครั้งเล่าแต่มือเท้าที่ไม่ชอบแก้ไขจะพาชีวิตคู่ของคุณไปสู่หายนะอยู่ดีคนเราจะอยู่กันให้ยืดได้ไม่ใช่ด้วยการพยายามทำทุกอย่างให้ถูกหมดต้องได้รับคำชมไปหมด แต่เป็นการรู้ตัวว่าผิดแล้วเร่งคิดแก้ไขได้รับเสียงติแล้วย้อนดูตัวโดยพลันวาทะความรักรักมีคำเดียวแต่ความหมายของรักนั้นมีได้มากเท่าวิธีเห็นแก่ตัวของแต่ละคน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 ตั้งคำถามขั้นพื้นฐานง่ายงดูระหว่างความเห็นแก่ตัวกับความเสียสละอันไหนทำหน้าที่รักษาความรู้สึกได้ดีกว่ากันตอบนักตอบได้แต่จะมีสักกี่คนที่เอาคำตอบที่ถูกต้องไปใช้ประครบประงมรักแท้มาดูนิยามความรักกันดีกว่านิยามใดทำให้คุณรู้สึกว่าตรงกับตัวก็โปรดพิจารณาเถิดว่าควรรักษาไว หรือได้เวลาเปลี่ยนแปลนิยามเสียทีต่อไปนี้คือความหมายของรักที่เต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวถ้าต่างฝ่ายต่างจ้องจะเอาเปรียบด้วยกันทั้งคู่คู่รักนั้นย่อมกล่าวว่าความรักคือผลประโยชน์ถ้ามีฝ่ายหนึ่งจ้องจะเอาเปรียบแต่อีกฝ่ายพร้อมจะให้เปล่าคู่รักนั้นย่อมกล่าวว่าความรักคือ ความไม่เสมอภาคถ้าทั้งสองฝ่ายผลัดกันเอาเปรียบและผลัดกันให้เปล่าคู่รักนั้นย่อมกล่าวว่าความรักคือการใช้หนี้แล้วความหมายของความรักที่เจืออยู่ด้วยความเสียสละคืออะไรถ้าต่างฝ่ายต่างจ้องจะให้เปล่าด้วยกันทั้งคู่คู่รักนั้นย่อมกล่าวว่าความรักคือ ความเอื้ออาทรต่างฝ่ายต่างเอื้ออาธร น, นั่นแหละความรู้สึกแบบรักแท้มนุษย์เราอยากมีคนรักไว้เป็นพวกเดียวกันแต่ในความเป็นจริงคู่รักมักแบ่งข้างกันโดยไม่รู้ตัวและคนส่วนใหญ่ก็ไม่ทราบไปจนตายว่าสิ่งเดียวที่จะทำลายการแบ่งข้างลงได้ก็คือความพร้อมใจเสียสละ ไม่ใช่กะเกณให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีน้ำใจคิดให้อยู่ข้างเดียวเรามีคนรักไว้รบกวนกันหรือเป็นกำลังหนุนแก่กันก็ได้แน่นอนว่าถ้าคุณเลือกคนที่ใช่มาเป็นคู่ก็ต้องดูดีแล้วว่ามีพื้นฐานของความพร้อมจะเสียสละเพื่อกันและกันไม่มากก็น้อยแต่ขอให้ทราบเถิดว่ายากที่จะมีความเท่าเทียมในการอยู่ร่วมกัน และเพียงอยู่ร่วมกันไม่นานนักความไม่เท่าเทียมก็มักเป็นแรงกระตุ้นความเห็นแก่ตัวให้กำเริบได้โดยไม่มีใครทันสังเกตเพื่อให้ความรักของคุณเป็นไปตามความหมายของการเอื้ออาทรคุณต้องไม่ลืมกฎสาคัญคือเมื่อได้รับอย่าลืมขอบคุณเมื่อได้ให้อย่าลืมอมยิ้มนอกจากนั้น พวกคุณต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเวลาของครอบครัวให้ดีครอบครัวเริ่มตั้งต้นขึ้นเมื่อชายหญิงมาอยู่ร่วมกันถ้ายังหาเวลาให้ครอบครัวได้ไม่มากพอก็อย่าเพิ่งริมีครอบครัวเพราะครอบครัวต้องการเวลาจากสมาชิกทุกฝ่ายเหมือนร่างกายต้องการลมหายใจขาดลมหายใจแล้วตายฉันใดครอบครัวขาดเวลาจากสมาชิกก็ต้องล่มสลายฉันนั้น ถ้าชีวิตมาถึงความเป็นภาวะคู่จริงชีวิตต้องให้ความรู้สึกที่แตกต่างจากภาวะเดี่ยวถ้าคุณยังรู้สึกเหมือนเป็นโสดทำตัวตามสบายไม่ต้องแคร์ใครเวลาทั้งหมดอุทิศให้แก่ตัวเองแต่เพียงผู้เดียวก็แปลว่าคุณยังมาไม่ถึงภาวะคู่แถมใบสมรสของคุณยังอาจกำลังทำให้ใครบางคนเศร้าเหงาและทนทุกข์อย่างมากมายเสียด้วย การพูดแล้วไม่ทำตามที่พูดสัญญาไม่เป็นสัญญานัดไม่เป็นนัดถ้าหากไม่มีเหตุผลภายนอกบีบก็เหลือเหตุผลภายในอันเดียวคือคุณเห็นแก่ตัวมากในทางกลับกันเวลาของครอบครัวไม่ใช่เวลาทั้งหมดที่คนในครอบครัวจะถือสิทธิเอาแค่ไหนก็ได้ต่างคนต่างต้องทำหน้าที่สร้างบ้านและรักษาบ้าน ขณะเดียวกันต่างคนต่างก็ต้องการเวลาส่วนตัวเพื่อพักวางภาระจากภาวะคู่บ้างได้สูดกลิ่นอิสรภาพคล้ายในภาวะเดี่ยวบ้างการได้เวลาในชีวิตของเขาหรือเธอไว้ทั้งหมดไม่ได้ทําให้คุณมีคนรักหรอกนะครับแต่เป็นนักโทษต่างหากถ้าเป็นเช่นนั้นก็เท่ากับว่าความรักช่วยให้คุณได้นักโทษมาคนหนึ่ง และต้องทำให้คุณเป็นทุกข์กับฐานะผู้คุมนักโทษที่รอแวงอยู่ตลอดเวลาว่าวันหนึ่งนักโทษจะทนไม่ได้และหาทางแหกคุกหนีไปเคยสัมผัสใช่ไหมตอนที่ใครได้ทำอย่างใจตัวเองมีเวลาเป็นอิสระบ้างเขาเต็มไปด้วยความสุขความยินดีและหายใจหายคอได้ด้วยความแน่ใจว่าตนไม่ใช่นักโทษ ถ้าดีใจเวลาเห็นใครเป็นสุขคุณอาจไม่จำเป็นต้องรักเขาเสมอไปแต่ถ้าอ้างว่าคุณรักใครแล้วไม่ยินดีกับความสุขของเขาแปลว่าคุณเห็นแก่ตัวและดีแต่พูดเท่านั้นจำไว้ว่าการอยู่ใกล้นานเกินไปจะพลิกผันเป็นแรงผลักให้คนรักอยากออกห่างมากขึ้นทุกที ความหึงหวงและการบังคับ่วงเหนี่ยวกักกันอาจทำให้คุณพอใจที่ได้เห็นกับตาว่าได้คนรักไว้ใกล้ตัวเกือบตลอดแต่คุณจะรู้ได้ด้วยใจว่าใจของเขาหรือเธอไม่อยากอยู่ตรงนั้นหรือกระทั่งหนีหายไปที่อื่นนานแล้วรักแท้ไม่ใช่การอยู่ใกล้กันตลอดเวลา แต่คือการยอมรับกฎธรรมชาติระหว่างชายหญิงที่มีทั้งแรงดูดและแรงผลักห่างกันบ้างเพื่อให้คิดถึงและเติมแรงดึงดูดเข้ามาหากันใหม่ดีกว่าเอาแต่อยู่ใกล้แล้วสะสมแรงผลักหรือเก็บกดกระทั่งระเบิดแตกกระจายออกจากกันเป็นสิ่งเสี่ยงอย่างถาวรใกล้ชิดกันบ้างเพื่อให้อบอุ่นกายอบอุ่นใจและสร้างแรงผลักให้ออกไปหาอิสระบ้าง ดีกว่าเอาแต่อยู่ห่างและสะสมความโหยหาจนแปลเป็นการไปหาคนอื่นแทนยังไม่มีวันได้กลับมาใกล้กันอีกเลยรูปแบบความรักในชีวิตหลังแต่งงานนั้นจะไม่เป็นไปตามข้อตกลงหรือคำมั่นสัญญาใดๆก่อนแต่งงานมนุษย์มีคำพูดในวันก่อนเอาไว้ลืมแต่มีความเห็นแก่ตัวเฉพาะหน้าไว้จํา ถ้าอยากรักษาความรู้สึกดีๆก่อนแต่งงานไว้พวกคุณต้องให้ความร่วมมือด้วยกันทั้งสองฝ่ายทําเหตุของผลที่อยากได้อย่าอยากได้ในสิ่งที่เคยสัญญากันด้วยปากแบบลมๆแลรงๆถามตัวเองสั้นๆนะครับระหว่างยอมเหนื่อยกับยอมเสียความรักคุณเลือกอันไหนคําตอบจะเป็นตัวชี้ชะตาความรักของพวกคุณ สรุปคือรักที่ตายได้คือรักแต่จะเอาส่วนรักอมะตะคือรักการสละความเห็นแก่ตัววาทะความรักความรักเป็นเรื่องของคนสองคนแต่ก็เป็นธุระของญาติหลายๆคนด้วย คุณคาดหวังได้ว่าจะอยู่กินกับคนรักเพียงสองคนแต่อย่าคาดหวังว่าจะไม่ต้องข้องเกี่ยวใดๆเลยกับญาติที่น้องของคนรักทุกคนมีฐานของความรู้สึกในชีวิตซึ่งดังเดิมจะอยู่กับผู้ให้กำเนิดญาติผู้ใหญ่ญาติที่น้องตลอดจนวงวานว่านเครือความเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขเดียวกันทำให้มนุษย์รู้สึกว่าตนมีที่มาที่ไปแน่ใจว่าไม่ได้ถูกคนแปลกหน้าเก็บมาเลี้ยง ตนเองยังมีหน้ามีตาคล้ายคลึงกับใครอยู่มีความผูกโยงทางกายใจกับใครอยู่เมื่อจะมีคู่ชีวิตฐานของความรู้สึกในชีวิตอาจแตกต่างไปบ้างคล้ายขาข้างหนึ่งก้าวออกมาเหยียบยืนอยู่บนฐานใหม่ที่สร้างเองแต่ขาอีกข้างของคนส่วนใหญ่ ยังคงต้องปักหลักอยู่บนฐานเดิมที่พ่อแม่ให้มาอยู่ดีจะเต็มเท้าหรือแค่แตะไว้หน่อยเดียวก็ตามคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าแค่แค่ความรู้สึกของคนรักก็น่าจะพอแล้วคนอื่นแม้ไม่เอาใจใส่ให้มากก็ไม่น่าจะถือว่าบกพร่องแต่ขอให้ลองเอาใจเขามาใส่ใจเราถ้าพ่อแม่พี่น้องมาฟ้องว่าคนรักของคุณดูถูกพวกเขาไม่ให้เกียรติพวกเขา คุณจะรู้สึกอย่างไรรักแท้ไม่ได้อยู่ข้างการกระทำลุกลวกที่ขาดพิธีรีตองรักแท้เป็นอะไรที่ต้องมีฐานมีรากไม่น้อยหน้าน้อยตาไม่หลบหลบซ่อนๆจึงจะตั้งอยู่ได้อย่างมั่นคงถ้าคุณยังเห็นพิธีมั่นและพิธีแต่งเป็นส่วนเกินของชีวิตทำให้ชีวิตไม่ปราดเปรียวตามสมัยนิยมก็ขอให้มองย้อนกลับมาที่ใจตัวเอง าใจของคุณเองเป็นที่ตั้งว่าการอยู่ด้วยกันเฉยๆเข้าฝ่ายไหนระหว่างความรู้สึกผิดกับความรู้สึกถูกต้องการทำความรู้จักกับญาติของคนรักเท่ากับการยอมรับรากของความเป็นคนรักการแสดงความรังเกียจญาติของคนรักก็คือรังเกียจรากแห่งตัวตนของคนรักนั่นเอง มันอาจเจ็บได้เท่ากับหรือยิ่งกว่าแสดงความรังเกียจตัวของคนรักเองก็ได้นอกจากญาติก็ยังมีเพื่อนและผู้คนในสังคมของคนรักรวมทั้งของคุณเองทุกคนเป็นส่วนประกอบใหญ่บ้างเล็กบ้างขอให้จําไว้ว่าถ้าคนรักแคร์ใครคุณก็จงแคร์คนนั้นด้วยไม่ว่าใจส่วนลึกจะชอบหรือชังอย่างน้อยคุณต้องระลึกให้ดีว่า คนคนนั้นสำคัญกับความรู้สึกของคนรักคุณปฏิบัติต่อคนคนนั้นอย่างไรก็เหมือนกระทากับความรู้สึกของคนรักอย่างนั้นการพูดถึงคนรักให้เพื่อนๆหรือญาติิของคุณฟังเป็นสิ่งควรระมัดระวังอย่าเอามันปากเข้าว่าเพราะสังคมมนุษย์เป็นสังคมกระจายข่าวพูดกระซิบข้างหูบางคน ไม่ได้แตกต่างอะไรกับพูดใส่โทรโขงให้คนฟังกันเป็นพันขอให้ถามตัวเองว่าแต่ละคำที่คุณคุยให้คนอื่นฟังถ้าคนรักได้ยินกับหูจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะพูดกับคนที่คุณรู้สึกไว้ใจขนาดไหนขอให้นึกถึงความเป็นไปได้ว่านั่นจะไปถึงหูคนรักได้เสมอแค่อย่านาไฟในออกอย่านำไฟนอกเข้ายัางไม่พอ เสียงชมต้องดังกว่าเสียงติด้วยนะครับติยังมีเหตุผลในห้องนอนและชมอย่างสบายอารมณ์ในห้องรวมญาติและคุณจะรักษาความรู้สึกดีๆที่มีต่อกันไว้ได้เสมอไปสรุปคือเวลาคุยกับญาติของคนรักให้นึกถึงหน้าของคนรักและคุณจะไม่เผลอนึกว่ากําลังคุยกับคนแปลกหน้าวาทะความรัก แรงดึงดูดเริ่มที่กายแต่สุดท้ายสายใยอยู่ที่จิตอย่างที่กล่าวแล้วแต่ต้นความรักคือกิเลสทางเพศกิเลสทางเพศก็คือกามราคะและสิ่งเร้ากามราคะได้แก่ความน่าพอใจทางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสตลอดจนความตรึกนึกถึงเพศสัมพันธ์กับใครสักคนที่คุณปิ้ง หากปราศจากแรงดึงดูดทางกายหรือหากคนเราปราศจากการราคะเนื้อหนังมังสาของมนุษย์ก็คงถูกเห็นว่าศักแต่เป็นธาตุไม่ต่างจากก้อนดินผืนน้าไอแดดและสายลมที่เอามาผสมรวมกันชั่วคราวหาความน่าสนใจมิได้การราคะทำให้ร่างกายของมนุษย์เป็นวัตถุกรรมและมีกระบวนกวิธีเสพกรมแบบที่เราเรียกกันสั้นๆทุกวันนี้ว่า มีเซ็กกันเซ็กในหมู่มนุษย์แตกต่างจากเซ็กในสัตว์อย่างเห็นได้ชัดคือมนุษย์มีอารมณ์หวานและพิธีการนำมาก่อนส่วนสัตว์นั้นเป็นไปตามฤ ด, ดูไม่ต้องมีอารมณ์หวานไม่ต้องมากเรื่องมากพธิธีคลำดูมีหางเป็นใช้ได้ธรรมชาติของเซ็กเป็นเรื่องลึกซึ้งเกินกว่าจะพูดง่ายๆว่า มีเซ็กคือการมีความสุขเพราะเซ็กเป็นได้ทั้งตัวการทำให้รักกันหวานชื่นเป็นได้ทั้งตัวการทำให้เกลียดกันเข้าไส้หรือเป็นได้กระทั่งวิธีทําร้ายวิธีลงโทษและวิธีสั่งสอนกันมันตั้งต้นกันที่ใจใจจะนำไปสู่การปฏิบัติทางกายที่ให้ความรู้สึกว่าเซ็กเป็นแค่ของต่ำ หรือเป็นสัมผัสแห่งรักอันจัดจ้านถึงใจเป็นต้มยำรสเสด็จสดาหรือเป็นเนื้อเน่าชวนคลื่นเหียนว่ากันโดยความรู้สึกเลยนะครับเซ็กที่ปราศ จ, จากความรักรองรับคือเซ็กจากสัญชาตญาณดิบให้ความรู้สึกต่ำเซ็กที่ปราศ จ, จากพิธีการนำหน้าคือเซ็กที่ก่อให้เกิดความรู้สึกผิดนั่นเพราะโดยจิตสํานึกแล้ว สิ่งมีชีวิตระดับมนุษย์จะมีเซ็กเพื่อแสดงว่ายอมรับกันและกันเป็นคู่ครองยอมเปิดเปลย อ, ออกหมดแล้วพร้อมจะร่วมทุกข์ร่วมสุขโดยปราศจากเครื่องห่อหุ้มปิดซ่อนแล้วมีเพียงคู่ครองเท่านั้นที่มีสิทธิ์ได้เห็นและสัมผัสเนื้อแท้ของกันและกันการเปิดเปลย อ, ออกโล่งโจ้งเร็วเกินไปหรือขาดพิธีการให้เกียรติกัน ย่อมนำมาซึ่งความรู้สึกไม่มีค่าไม่มีความหมายไม่ต้องใช้ความพยายามซึ่งหมายความว่าเมื่อพบตำหนิเพียงน้อยในสิ่งไร้ค่านั้นใจคุณย่อมพร้อมจะละจากหรือทิ้งขว้างอย่างไม่แยแสผมไม่ได้พูดแบบคนหัวโบราณนะครับน่ว่ากันตามเนื้อผ้าจริงๆถ้าคุณทางานหาเงินเลี้ยงตัวได้ เนื้อตัวของคุณก็เป็นสิทธิ์ของคุณแต่ถ้าไวไฟไปหน่อยยังไม่ทันรู้จักมักจี่ยังไม่ทันมีกิจกรรมเกื้อกูลให้เห็นน้ําใจสักกี่มากน้อยแล้วแลกเนื้อแลกหนังให้ชื่นชมกันในที่ลับเซ็กจะอยู่ในความทรงจําของคุณในฐานะเครื่องชี้ว่าคุณไม่มีความห้ามใจยิ่งถ้าคุณยังมีผู้ปกครองต้องใช้เงินพ่อแม่ซื้อข้าวนะ้ํามาเลี้ยงเนื้อเลี้ยงตัว แต่เอาเนื้อตัวไปใช้ในแบบที่ไม่รู้ว่าเจ้าของยินยอมหรือเปล่าคุณย่อมได้ชื่อว่าละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นกิจกรรมที่ร่วมกันละเมิดสิทธิ์ผู้อื่นถือเป็นการร่วมกันทําผิดย่อมไม่อาจนับเป็นการทําอะไรดีๆร่วมกันได้อย่างที่เคยกล่าวไว้ก่อนแล้วว่าธาตุความเป็นชายและธาตุความเป็นหญิงคือสิ่งดึงดูดให้เข้าหากัน แต่เมื่อใกล้ชิดกันแล้วก็จะผลักออกจากกันแรงดึงดูดของเซ็กนั้นแท้จริงแล้วไม่ได้อยู่ที่รูปภัณฑ์สันฐานของอวัยวะเพศแต่อยู่ที่ความลับของสิ่งที่คุณไม่เคยเห็นตลอดจนรสสัมผัสที่คุณไม่เคยลองถ้าเห็นจนคุ้นลิ้มรสจนชินคุณจะไม่อยากเสียเวลามองซ้ําอีกเลยด้วยซ้ํา การทำเรื่องผิดศีลธรรมจึงเข้ากันได้ดียิ่งกับเซ็กเพราะเซ็กมักเร่งเร้าให้คุณอยากลองของใหม่เจอรสชาติแปลกใหม่ที่เต็มไปด้วยแรงดึงดูดยังไม่ถึงเวลาส่งแรงผลักเหมือนคู่ขาหน้าเดิมหากเซ็กเป็นเหตุให้ทิ้งคนเก่ามาหาคนใหม่คุณจะได้เห็นกับตาว่าเซ็กทำให้คนเรามีปากมีเสียงกันได้อย่างไร เซ็กจะปรากฏคล้ายความฝันอันโสมมที่คุณไม่อยากยอมรับว่ามันเคยเกิดขึ้นมาก่อนคราวนี้มาดูในทางตรงข้ามนะครับเซ็กที่ตามหลังความรักมาคือเซ็กจากสำนึกที่สุขงอมให้ความรู้สึกเป็นเจ้าของสมใจเซ็กที่มีพิธีเป็นหน้าเป็นตาให้สังคมยอมรับ คือเซ็กที่มาพร้อมกับความรู้สึกถูกต้องนั่นเพราะโดยธรรมชาติแล้วมนุษย์เราต้องการความชอบธรรมไม่ต้องทำอะไรหลบหลบซ่อนๆเหมือนคนผิดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ปรารถนาความสง่างามไม่เป็นที่ติฉินนินทาความพร้อมจะรับผิดชอบชีวิตคู่ทำให้คุณรู้สึกเกี่ยวกับเซ็กไปอีกแบบคือเห็นเซ็กเป็นเพียงองค์ประกอบส่วนหนึ่งซึ่งหมายความว่า ถ้าผิดหวังจากเซ็ก์ก็จะไม่อยากทิ้งคว้างกันทันทีเซ็ก์ที่มีฐานรองรับแน่นหนาให้ความรู้สึกอุ่นใจว่าถึงแม้ขาดเซ็ก์ไปก็ยังมีอะไรเหลืออยู่อีกมากภาวะคู่จะยังไม่ขาดสะบั้นไปตามเซ็ก์ถามตัวเองง่ายๆว่ากับคู่ของคุณเมื่ออารมณ์เพศหายไปและอะไรที่มาแทน หากนึกออกเป็นบัญชีหางว่าวนั่นแปลว่าเซ็กของคุณมีฐานรองรับแน่นหนาเหลือเกินแต่หากนึกไม่ออกสักข้อเดียวก็ขอแสดงความเสียใจด้วยที่คุณคิดว่าใช่มันใช่แค่เรื่องเซ็กชั่วคราวนอกกนั้นไม่มีอะไรเลยที่ใช่จริงสรุปคือถ้ามีแต่แรงดึงดูดทางกาย รับรองว่าพวกคุณอยู่กันเดียวเดียวจบแต่ถ้ามีสายใยทางใจมาร้อยรัดกันและกันไว้ก็อยู่กันไปได้เรื่อยๆครับและสายใยทางใจไม่ใช่สิ่งเหม็นเน่าเหมือนกายมนุษย์และก็ไม่แน่นเหนียวหน้าอึดอัดระคายเคืองเหมือนเชือกมานิลาคุณอาจเปรียบสายใยทางใจเทบได้กับผืนแพรในจินตนาการที่ให้สัมผัสแสนละไม น่าติดใจกับการตกอยู่ในพันธนาการอย่างไร้วันจบวันสิ้นที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดเป็นเพียงสายใยแห่งความผูกพันที่ประกันว่าพวกคุณจะอยู่กันยืดไม่ทิ้งคว้างกันง่ายๆแต่ถ้าจะเอาแบบเข้ากันได้อย่างสนิทอยู่ด้วยแล้วสบายใจไปจนชั่วชีวิตกับทั้งประกันว่าต้องได้พบกันอีกในชาติหน้า อันนี้ก็ต้องศึกษาส่วนที่เหลือของบทครับวาทะความรักสิ่งเดียวที่คุณอยากอยู่ด้วยตลอดไปคือตัวเองฉะนั้น ถ้าได้คนรักที่เสมอกับตัวเองคุณก็จะอยากอยู่กับคนรักตลอดไปเช่นกันหัวข้อทำอย่างไรจะอยู่ด้วยกันตลอดไปคำว่าตลอดไปในที่นี้ขึ้นอยู่กับรากฐานความเชื่อของคุณด้วยครับถ้าคุณเชื่อว่ามีแค่ชาตินี้ชาติเดียวคำว่าตลอดไปก็หมายถึง ความพอใจจะอยู่กับคนรักจนกว่าจะตายจากแต่ถ้าคุณเชื่อว่ามีชาติหน้ารออยู่คำว่าตลอดไปก็หมายถึงความแน่นอนที่จะได้พบกับคนรักอีกในชาติหน้าถามว่าทำอย่างไรภาวะคู่จึงเสถียรคำตอบนั้นแน่นอนว่าไม่ได้อยู่ที่กายเพราะกายเป็นแค่กระบวนการทางชีวะเคมีที่ไว้ใจไม่ได้ ดึงดูดเร็วและผละออกไวเสมอสิ่งเดียวที่เหลือให้เป็นคำตอบได้คือใจเท่านั้นเพราะใจเป็นสิ่งที่เชื่อได้ว่าจะมั่นคงถ้ามีปัจจัยเพียงพอเพื่อให้เห็นภาพชัดต่อไปนี้ผมขอเปรียบเทียบว่าใจของคุณกับคนรักกําลังอยู่ในรถยนต์คันหนึ่งซึ่งแล่นไปข้างหน้าเรื่อยๆการจะไปด้วยกันได้ตลอดสายนั้น ใจของคุณทั้งสองต้องมีพื้นฐานของความสามารถร่วมทางกันไม่อยากแยกทางกันใจที่สามารถเดินทางไปด้วยกันมีคุณสมบัติใหญ่ๆสี่ประการดังนี้ครับ 1. มุ่งไปในทางเดียวกันข้อนี้หมายถึงใจที่มีจุดหมายปลายทางร่วมกันอย่างแน่ชัดถ้าใจคุณจะขึ้นเชียงราย แต่ใจคนรักจะลงภูเก็ตก็ต้องมีใครสักคนขึ้นรถผิดหรือไม่ก็ผิดทั้งคู่ที่มาขึ้นรถคันเดียวกันใจที่มุ่งทางเดียวกันก็คือการมีศรัทธาแบบเดียวกันอย่างน้อยถ้าคุณและคนรักนับถือความรักราวกับความรักเป็นศาสนาหนึ่งศา ส, สนาของพวกคุณก็ต้องยึดหลักเดียวกันเช่นจะรักเดียวใจเดียวไปจนกว่าจะหาใหม่ ชาติหน้ามีจริงก็จะจองรักจองเลิกเกิดร่วมชาติอย่างนี้อีกเป็นต้นนอกจากนั้นคุณและคนรักจะศรัทธาศาสนาใดคงไม่สำคัญเท่าที่ว่าต้องเป็นศรัทธาแบบเดียวกันจึงจะพาใจให้แล่นไปบนทางเดียวกันมิฉะนั้นก็จะต้องถึงจุดตัดทางแยกเข้าจนได้เรื่องของศรัทธาเรื่องของศาสนานั้น รกไปมีแต่เสียคือมีแต่คนตายไม่มีคนเกิดหากต่างฝ่ายต่างปักใจยึดมั่นความเชื่อไปคนละทิศชนิดที่จิตวิญญาณฝังรากลงในศาสนาหนึ่งหนึ่งมั่นคงแล้วก็อย่าพยายามเสียเวลาเปลี่ยนแปลงคนรักให้มาเชื่อแบบตนเพราะมีแต่ความแตกแยกรออยู่อย่างเช่นคนหนึ่งนับถือศาสนาที่สอนให้กล้าคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล และกล้าที่จะฝึกจิตให้รู้ตามจริงส่วนอีกคนหนึ่งนับถือศาสนาที่สอนให้กล้าเชื่อกล้าไว้ใจตลอดจนห้ามค้านสิ่งที่พระคำพีบอกก็จะขัดแย้งกันอย่างสุดขั้วโดยรากของความคิดเมื่อเริ่มคบกันยังหวานอยู่อาจมองไม่เห็นต่อเมื่ออยู่ด้วยกันนานเข้าหลักการต่างๆของศาสนาจะเริ่มมีบทบาทในชีวิตประจวาวันมากขึ้นเรื่อยๆ ตัวอย่างที่เห็นชัดคือการยินยอมให้ลูกเข้าร่วมกิจกรรมกับศาสนาใดเป็นต้นคนสมัยนี้ไม่ค่อยจริงจังกับศาสนาเต็มร้อยเพราะเข้ามาถึงศรัทธาแบบเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งซึ่งก็มีข้อดีคือยังพอคุยกันรู้เรื่องไม่ต่างฝ่ายต่างสุดโต่งเถียงคอเป็นเอ็นครับ เมื่อไม่ยึดมั่นว่าต้องเอาวิถีชีวิตในชาตินี้และชาติหน้าตามศาสดาของกูให้ได้ก็ยอมคุยด้วยเหตุด้วยผลเหมือนคนปกติหากใครประพฤติตนหน้าเริ่มใสกว่าหรือโน้มน้าวใจเก่งกว่าก็มีสิทธิ์เอาคนรักมาร่วมพุ่งสู่จุดหมายปลายทางเดียวกันได้ศรัทธาตามความหมายของพระพุทธศาสนาคือความเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีงาม เชื่อในกรรมที่เป็นประโยชน์ไม่เป็นโทษและไม่ใช่ปักใจยอมรับเพียงเพราะใครต่อใครรอบข้างบีบให้ยอมรับศรัทธาที่ดีคือศรัทธาที่ไม่เอาแต่คิดตามคนอื่นแต่ต้องทำจริงด้วยตนเองจนเห็นแจ้งของแท้และมั่นใจในเส้นทางที่คุณเดินมากพอดุดการขับรถไปตามแผนที่เมื่อผ่านเส้นทางแล้วพบว่าแผนที่ถูกต้องมาเรื่อยแต่ต้นก็ยอมเชื่อว่า แผนที่จะพาตัดตรงสู่เป้าหมายอันถูกต้องด้วยเช่นกันพุทธศาสนาไม่นิยมปฏิหารแห่งศรัท ธ, ธาและการร้องขอเพราะการร้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่เห็นตัวตนนั้นถ้าได้ตามต้องการทันใจก็ดีไปแต่ถ้าไม่มาตามคำขอก็อาจดับไฟศรัท ธ, ธาให้มอดลงในชั่วข้ามคืน พุทธศาสนาแสดงความจริงตามเหตุตามผลกรรมเป็นพรกรรมเป็นคำสาปใครทำอะไรก็ได้สิ่งที่สอดคล้องกันอย่างนั้นกรรมขาวย่อมบรนดาลชีวิตสว่างเป็นสุขกรรมดำย่อมบรรดาลชีวิตมืดเป็นทุกข์และพุทธศาสนาก็ช่วยให้เข้าใจว่าบนเส้นทางแห่งศรัทธาเดียวกันพวกคุณจะผลัดกันขับ หรือผลัดกันนั่งข้างก็ไม่เป็นไรในเมื่อตกลงกันแล้วว่าจะร่วมทางสู่จุดหมายเดียวกันอย่างไรก็ได้นั่งคู่กันเคียงบ่าเคียงไหล่รถจะแล่นเร็วหรือช้าพวกคุณก็ไปในทิศเดียวกันไม่เร็วและไม่ช้าไปกว่ากันอยู่ดีสองมีความสะอาดเสมอกัน ข้อนี้หมายถึงใจที่มีความรักสะอาดเหมือนเือนกันถ้าคนรักของคุณชอบทำความสะอาดรถให้หน่านั่งไม่ต้องห่วงหน้าพวงหลังว่าจะติดเชื้อโรคให้เดือดเนื้อร้อนใจแต่คุณดันชอบถมสเลตลงพื้นแค่ขี้มูกดีใส่กระจกเป็นประจำแบบนี้คนรักคงโบกมือลาไปอยากอาศัยรถคันเดียวกับคุณในการเดินทางอีกต่อไปใจที่รักสะอาดเหมือนกัน ก็คือการมีศีลมีธรรมระดับเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งศีลในข้อที่ว่าด้วยการประพฤติผิดทางการมหากคุณกับคนรักทาบุญเก่ามาด้วยกันดีมีวาสนาได้พบรักแท้ก็นับว่าเหมาะครับเพราะจะเป็นปัจจัยสำคัญให้คิดซื่อกับคู่ครองของตนอยู่แล้วโดยพื้นฐานเรียกว่าได้รักษาศีลข้อกาเมอย่างเป็นธรรมชาติ เพราะมีใจจริงคอยช่วยคำจุนอยู่ก่อนแต่ให้ดีกว่านั้นคือควรตั้งใจงดเว้นขาดต่อให้มีใครเอาเนื้อหนังมายั่วใจต่อให้ใครเอาผลประโยชน์มาล่อก็คิดไว้ล่วงหน้าเลยว่าไม่การตั้งใจงดเว้นขาดนั่นแหละเรียกว่าการถือศีลถ้ายัางยักแยยักยันว่าเอาดีหรือไม่เอาดีนั่นไม่เรียกว่าเป็นคนถือศีล คุณแค่ได้ชื่อว่ายังมีมโนธรรมสู้กับกิเลสฝ่ายตาำอยู่บ้างเท่านั้นการถือศีลเพียงข้อเดียวก็อาจมีพลังลากจูงศีลข้ออื่นๆให้ตามมาด้วยความเห็นตามจริงว่ารักษาศีลได้แค่ไหนศีลก็รักษาเราให้อยู่สบายไม่เดือดร้อนเท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งธรรมดาของผู้ตั้งใจรักษาศีลห้าด้วยกันนั้นย่อมไว้ใจกัน และอบอุ่นใจว่าจะซื่อสัตย์ต่อกันไม่เป็นภัยต่อกันลองดูก็ได้ถ้าคุณเป็นคู่ที่ระแวงกันและกันนะครับลองมาตั้งสัตว์อธิษฐานต่อหน้าพระปฏิมาว่าวันนี้จะรักษาศีลห้าให้ได้โดยเปล่งเสียงออกมาให้เต็มปากเต็มคําว่าพวกเราจะไม่ฆ่าสัตว์ไหนๆพวกเราจะไม่ลักทรัพย์ใครพวกเราจะไม่นอกใจกันพวกเราจะไม่โกหกกัน พวกเราจะไม่กินเหล้าเมายาวันเดียวคงต้องทำได้แน่วันต่อมาก็เอาอีกตั้งปณิธานทีละวันก่อนสวดมนต์ทุกครั้งและทุกทุกครั้งให้ดูกันจัดจะเลยว่าเกิดผลเป็นความเชื่อมั่นในการละกันเพิ่มเรื่อยๆขึ้นไหมคุณจะพบว่าการตั้งจิตงดเว้นพฤติกรรมผิดๆก็คือการสร้างความสบายใจขั้นพื้นฐานให้ชีวิตคู่นั่นเอง อย่าใช้วิธีสาบานอย่าตั้งเป้าสาบแช่งไว้ว่าถ้าทำไม่ได้ขอให้ตายไม่ดีเพราะนั่นจะเป็นสัญญาเลือดที่เขียนขึ้นด้วยจิตอันเจือด้วยโทสะอาศัยความกลัวเป็นตัวขู่จึงย่อมมีความไม่สบายใจระหว่างกันอยู่ไม่มากก็น้อยทางที่เหมาะคือให้อธิษฐานเป็นคำสัตย์ด้วยจิตที่แน่วนิ่งมั่นคงมีความเป็นกุศลมีความเมตตายังผลให้รู้สึกเป็นมงคล และเกิดกำลังใจในทางที่สว่างทางที่ดีขึ้นร่วมกันนั่นจะบริสุทธิ์มั่นคงกว่าวิธีใช้คำสาบานเป็นไหนไหนโลกเต็มไปด้วยเครื่องล่อให้ผิดศีลอยากลัวไม่ได้เจอแบบทดสอบและแต่ละครั้งที่สอบผ่านคุณก็จะรู้สึกว่าการรักษาศีลไม่เห็นจะยากอะไรทําๆไปก็เกิดอำนาจความเคยชินที่จะปฏิเสธความอยากผิดศีล คือตอนแรกปฏิเสธด้วยความคิดต่อมาปฏิเสธเองออกมาจากใจสำคัญคือหากผ่านด่านได้ตลอดเราแบบทดสอบจะค่อยๆถอยทับทีละน้อยกระทั่งเหมือนหายไปเลยนานทีปีหนถึงจะโผล่มาทดสอบใหม่ศีลที่สะอาดหมดจดจะบรรดานหน้าตาที่หมดจดสดใสยังไม่ตายก็เห็นได้ทันตา แต่เมื่อเกิดใหม่จะเห็นชัดขึ้นพวกคุณจะดูคล้ายคลึงกันกับทั้งชายรัศมีสมน้ำสมเนื้อกันเห็นกันและกันแล้วต่างตะลึงแลววางตาไม่ลงกับทั้งรู้สึกว่าความสวยหล่อดุดกิ่งทองใบหยกมีไว้เป็นอภิสิทธิ์ให้กันและกันชื่นชมเท่านั้นคนอื่นไม่มีสิทธิ์พอศีลสะอาด ใจจะถึงใจมากขึ้นลองคิดง่ายๆนะครับถ้าตัวอยู่ห่างแล้วยังรู้สึกอบอุ่นและไว้ใจกันก็แน่ใจได้ว่าพวกคุณรักกันด้วยใจไม่ใช่หลงติดกันด้วยกายเห็นหรื อ, อยังว่าศีลมีส่วนสร้างรักให้เป็นของแท้ได้อย่างไรสา เปี่ยมน้ำใจไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันข้อนี้หมายถึงใจที่รู้จักเสียสละถ้าคุณขับรถจนเหนื่อยอยากพักนึกอยากหลับบ้างหรืออย่างน้อยอยากได้ผ้าเย็นลูบหน้าบ้างแต่คนรักปฏิเสธท่าเดียวไม่ช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้นด้วยเหตุผลสั้นๆคือขี้เกียจอย่างนี้คุณคงถอดใจ และรู้สึกว่าเดินทางมากับพวกชอบเอาเปรียบอย่างน่าเกลียดผู้ที่อยู่ร่วมกันโดยต่างฝ่ายต่างมีน้ำใจมากย่อมไม่มีวันหิวกระหายเลยตลอดเส้นทางส่วนการเดินทางไปกับผู้มีความตรณีที่เหนียวไร้น้ำใจย่อมทำให้คุณรู้สึกฝืดคอเหมือนรอบตัวแห้งแล้งหน้ า, นาหนหนีเสียละเกินเมื่อมีน้ำใจแม้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเป็นที่พึ่งให้แก่กันและกันได้ กระทั่งอาจกระตือรือร้นมากพอจะแผ่เผื่อเจือจานไปถึงสังคมรอบข้างถึงตรงนั้นพวกคุณจะเริ่มเป็นสองแรงแข็งขันร่วมกันช่วยคนอื่นได้ดุจเดียวกับงานอดิเรกที่น่ารื่นเริงความรื่นเริงที่จะช่วยสังคมร่วมกันนั่นแหละคือความที่มาของการอยู่ร่วมกันด้วยความหารืหารสุดยอดการร่วมมือการช่วยคนแปลกหน้านี่นะครับ จะบอกได้ระดับหนึ่งว่ามีลูกแล้วพวกคุณจะมีแก่ใจช่วยกันเลี้ยงแค่ไหนใครจะเป็นคนออกแรงมากกว่ากันไม่ว่าตายแล้วเกิดชาติไหนพบใดคุณจะไม่พบใครที่อยู่ด้วยแล้วบันเทิงเท่าคนรักที่เคยมีน้ำใจต่อสังคมเสมอกันเลยความคิดยกให้ความคิดบริจาคและความคิดช่วยเหลือเรารวมเรียกว่าจาคะ จาฆะจึงหมายถึงการสละออกนับตั้งแต่การแบ่งปันสิ่งของช่วยออกแรงช่วยงานกับผู้สมควรได้รับการช่วยเหลือนอกจากนั้นจาฆะยังเหมารวมไปถึงการสละสิ่งที่เป็นโทษทิ้งไปเพื่อเอาสิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์เข้ามาแทนดังนั้นการให้อภัยเป็นทานที่ยกความแค้นออกไปเพื่อเอาไมตรีคืนมาโลกนี้เต็มไปด้วยเรื่องหน้าถือสา ถ้าคุณวางเสียได้ไม่ถือสาก็จะไม่เป็นคนขี้หงุดหงิดกระแสจิตของคุณจะเย็นและถ้าพวกคุณเย็นด้วยกันทั้งคู่ต่อให้ต้องวิ่งผ่านทะเลทรายก็จะเย็นช่าอยู่ข้างในประดุจเป็นแอร์ให้แก่กันและกันตลอดเส้นทางไกลไม่ต้องแวะซ่อมที่ไหนจาคะคือสิ่งเปิดจิตให้กว้างขวางอย่างที่เรียกกันว่า ใจกว้างยิ่งมีจาฆะมากเท่าใดใจยิ่งกว้างขึ้นเท่านั้นทีนี้ก็ดูว่าระหว่างคุณกับคนรักใจกว้างพอๆพอกันหรือไล่เลี่ยกกันไหมสังเกตุ ว, ว่าคนใจแคบจะไปด้วยกันกับคนใจกว้างไม่ได้ถึงแม้จับปัดจับหรูต้องทนอยู่ร่วมกันก็จะไม่มีความสุขเลย พบที่คนใจแคบกับคนใจกว้างไปเสวยก็ผิดกลิปลับนะครับคนใจกว้างย่อมเหมาะกับพื้นที่กว้างขวางสุขสบายไม่อึดอัดขณะที่คนใจแคบย่อมเหมาะกับพื้นที่คับแคบทุกทนไม่มีดีถ้าคนหนึ่งตายอย่างคนใจกว้างอีกคนตายอย่างคนใจแคบแนวโน้มคือสองคนนั้นจะไม่ได้เจอกันในชาติต่อไป หรือแม้ต้องเจอกันอีกในชาติถัดๆไปก็ยากที่จะมาอยู่ร่วมกันโดยง่ายเพราะใจสอดคล้องกับลักษณะภพที่ต่างกันเกินไป 4. คิดอ่านได้ไม่น้อยหน้ากันข้อนี้หมายถึงใจที่เข้าถึงคำตอบหรือเห็นทางออกได้ทันทันกัน หรือช่วยกันเป็นกำลังทางความคิดเสริมกันและกันเหมือนถ้าขับรถหลงทางคุณคงไม่อยากคิดแก้สถานการณ์อยู่คนเดียวแต่จะอยากได้เพื่อนคู่คิดต่างฝ่ายต่างออกความเห็นได้ว่าควรทำเช่นไรดีหรืออย่างน้อยก็น่าจะรู้จักเงียบในเวลาที่ควรเงียบไม่แสดงความโง่เขลาทำนองมือไม่พายเอาเท้าราน้าให้คุณนึกลำคาญใจ ปัญญาเชิงพุทธจะออกไปในทางคิดเป็นเห็นตามจริงสแสวงหาเหตุผลต้นปลายถ้ากำลังหลงทางต้องรู้ทันว่าหลงทางและเร่งหาทางออกไม่ใช่หลงทางแล้วยังเพลินเที่ยวถลไล ย, ยิ่งไกลาจากจุดหมายไปทุกทีระบบความคิดที่ถูกฝึกมาให้แก้ปัญหาร่วมกันจะทำให้ปัญหาของพวกคุณเขยบเข้าใกล้กันมากขึ้นทุกที ตามวันเวลาที่ผ่านไปอย่างน้อยก็ในแง่ความสามารถในการเห็นทางออกของปัญหาจะไม่แตกเป็นคนละทางสองทางส่วนในทางธรรมนั้นปัญญาจะมุ่งเอาความสามารถในการเห็นว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์สิ่งใดเป็นโทษบางคนมีนะครับแสนฉลาดทางโลกเรียนเก่งขั้นเกียรตินิยมแต่ทั้งชีวิตดาเนินไปในแบบโยนประโยชน์ทิ้งน้า มัวแต่ไปเก็บเกี่ยวโทษเข้าตัวแทบล้วนๆประเภทฉลาดแบบผู้ก่อการร้ายนั่นแหละถ้าฝ่ายหนึ่งทำก่อนคิดอีกฝ่ายคิดก่อนทำหรือฝ่ายหนึ่งเอาอารมณ์พูดอีกฝ่ายพูดด้วยสติปัญญามาอยู่ด้วยกันก็วิบัติเห็นเห็นเพราะพูดและทำบนฐานของปัญญาคนละแบบลึกไปกว่านั้น ถ้าฝ่ายหนึ่งเห็นชัดตามจริงว่าอะไรอะไรไม่เที่ยงกายใจก็ไม่เที่ยงกระทั่งความยึดมั่นถือมั่นเหลือน้อยแต่อีกฝ่ายหนึ่งแค่เรื่องน้อยก็ยึดมั่นมากเหตุเล็กนิดเดียวแต่ขยายให้เป็นผลใหญ่โตอย่างนี้คงนึกระอาหรือมันไส้กันและกันเป็นอย่างยิ่งปัญญาที่เสมอกันย่อมสร้างความร่าเริงในการสนทนา และย่อมเป็นความอุ่นใจไม่พรั่นพรึงที่จะต้องฝ่าฟันอุปสรรคร่วมกันจึงย่อมเป็นหนึ่งในปัจจัยสําคัญที่จะทําให้อยู่ร่วมกันได้ตลอดไปคงเห็นแล้วนะครับว่าถ้าศรัท ธ, ธาศีลจาคะและปัญญาเสมอกันจะทําให้พวกคุณนั่งไปในรถคันเดียวกันตลอดรอดฝั่งได้ท่าไหนคู่ที่เสมอกันทุกด้าน จะอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนเสมือนเป็นคนเดียวที่แบ่งเป็นภาคชายและภาคหญิงและนี้คงเป็นคำตอบให้กับหลายคำถามที่น่าปวดหัวเช่นทำไมคู่รักในอุดมคติจึงหาได้ยากนักเหตุใดคู่รักส่วนใหญ่จึงไม่รู้สึกแต่ต้นว่าเป็นพวกเดียวกันนั่นก็เพราะคนเราอย่างเก่งก็เต็มใจแค่ปรับตัวเข้าหากัน แต่ที่จะปรับศรัทธาศีลจาคะและปัญญาให้เสมอกันนั้นพวกคุณต้องมีกําลังใจมหาศาลจากรักแท้เสียก่อนชาติก่อนบําเพ็ญมาอย่างไรไม่รู้แต่ชาตินี้รู้และสุดแต่ว่าพวกคุณจะช่วยกันลงทุนลงแรงเพียงใดเพื่อเส้นทางร่วมกันทั้งชีวิตนี้และชีวิตหน้าสรุปคือ การปรับจิตวิญญาณให้เสมอกันจะทำให้ได้สวยพบเดียวกันทั้งพบปัจจุบันและพบในอนาคตฟังง่ายทำยากแต่บรรลุผลได้จริงครับ วาทะความรักการพยายามอ่านความคิดคนอื่นอาจไม่ช่วยให้คุณรู้ใจตัวเองดีขึ้นแต่การรู้ใจตัวเองดีขึ้นจะช่วยให้คุณอ่านความคิดคนอื่นออกอย่างรวดเร็ ว, วข้อข้อทำอย่างไรจะรู้ใจกันได้ ในกายมนุษย์นี้ที่น่าอายเหนือสิ่งอื่นใดคืออะไรอวัยวะเพศไงครับคนเราอาบน้ำเสร็จก็ต้องซ่อนอวัยวะเพศไว้ใต้ร่มผ้าเป็นอันดับแรกละ่ะแล้วในความเป็นมนุษย์นี้สิ่งที่น่าอายกว่าอวัยวะเพศคืออะไรความคิดไงครับคนบางคนไม่อายที่จะเปิดเผยอวัยวะเพศต่อสาธารณะขณะแสดงหนังอย่างรู้ทั้งรู้ว่า จะมีคนเห็นกันเป็นล้านอย่างกล้าเลยแต่ความคิดนี่สิรู้เมื่อไรอายจนต้องแทรกแผ่นดินหนีเมื่อนั้นนี่แสดงว่าทั้งกายทั้งใจมนุษย์เต็มไปด้วยสิ่งซ่อนเร้นและสิ่งที่มนุษย์ต้องการฝังให้เร้นลึกที่สุดก็คือความคิดไม่ใช่เรื่องเล่นๆที่ปราศจากความสัมพันธ์กันนะครับตามหลักกรรมวิบากแล้ว ยิ่งความคิดที่ซ่อนเร้นไปในทางร้ายขึ้นเท่าไรรูปกายใต้ร่มผ้าในชาติต่อไปก็ยิ่งน่าเกลียดขึ้นเท่านั้นและกลับกันยิ่งมีความคิดแอบทำดีไม่อยากได้หน้ามากขึ้นเท่าไรส่วนของกายอันเป็นความลับก็จะยิ่งบาดตาหน้าดูหน้าชมปานกันในชาติหน้า ของเร้นลับย่อมสัมพันธ์กันทั้งฝ่ายรูปและฝ่ายนามด้วยประการชนี้จิตสร้างเหตุคือความคิดอันเร้นลับเอาไว้ธรรมชาติจึงแสดงผลออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรมผ่านร่างกายภายในอันรู้กันว่าเป็นของลับซึ่งทุกคนเห็นตัวเองถนัดว่าเป็นเช่นไรอีกทั้งต้องเก็บเก็บเม้มๆให้ดีไม่ว่าจะงามตาหรือน่าเกลียดแค่ไหน ถ้าว่ายิ่งปิดเท่าไรยิ่งนาดูเท่านั้นและถ้าใครดูได้ก็แปลว่าคนนั้นสนิทใกล้ชิดเป็นกันเองยิ่งคนกันเองเท่านั้นมีสิทธิ์รู้ว่าเนื้อแท้ที่ถูกปิดซ่อนของคู่ตนน่าชื่นชมหรือชวนสสียยีแต่ถึงคู่รักจะไม่อายที่จะเปิดเผยเขตแดนสนธยาใต้ร่วมผ้าต่อกันก็ยังอายความคิดใต้กะโหลกอยู่ดีนะครับ แม้ร่วมเตียงกันมา3ามสิบสี่สิบปียังซ่อนความคิดบางอย่างไม่เปิดเผยให้กันและกันรู้ด้วยวาจาเลยตราบเท่าที่ยังรู้สึกว่าความคิดนั้นเทียบเท่าแผลอั ป, ปลักษณ์อุจจาตาก็คงไม่มีใครอยากให้หลุดรอดไปสู่การรับรู้ของผู้อื่นไม่มีใครไม่ไอายความคิดและไม่ต้องถึงขั้นความคิดอุบาทอะไรนักหนาหรอก ทุกคนจะตื่นตกใจเสมอหากถูกจับได้ว่ากำลังคิดอะไรอยู่เว้นแต่นึกครึ้มหรืออยากบ้าระห่าประกาศความคิดเป็นวาจาออกไปเองอันนั้นไม่เป็นไรแต่ที่จูจ่ๆใครมารู้ความลับในหัวทั้งที่ไม่เต็มใจเปิดเผยเนี่ยแย่เลยแย่กว่าแก้พาล่ลอนจอนเสิอีกอ้าวไหนใครตกอใคบ่นกันว่าอยากมีคนรู้ใจไม่ใช่เหรอ มนุษย์เรานี่นะครับที่อยากให้รู้ใจนะ่ะเอาเฉพาะใจตอนที่คิดดีๆหรอกแต่ถ้ามารู้ใจตอนกำลังคิดร้ายหรือหน้าอับอายแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเลยที่ตรงนี้เรามาวิเคราะห์กันก่อนว่าการมีคนรู้ใจไปหมดทุกเรื่องนั้นเป็นสิ่งน่าพอใจหรือน่าหลีกเลี่ยงกันแน่คำตอบว่าดีหรือไม่ดีแปลไปตามสถานการณ์ครับ หากคุณครึ่งรักครึ่งชังยังเล่นบทพ่อแงแม่งอนหรือเอาเถิดเจ้าล่อผลัดกันเมินผลัดกันมองแบบนี้ให้เขารู้แม้แต่นิดเดียวก็ไม่ได้เพราะแค่เขาทราบว่าคุณมีใจให้หรือใครมีเซ็กด้วยคุณคงอยากมุดท่อหนีหายไปเดี๋ยวนั้นแล้วและอาจไม่อยากเจอกันอีกเลยตลอดชีวิตด้วยแต่หากคุณรักแสนรักใครสักคน จนรู้สึกเราจะพักหัวใจออกมาให้เขากำเล่นได้แบบนั้นจะมีสิ่งใดเล่าที่คุณไม่ยอมไม่เขารู้ได้อีกยิ่งเขารู้ทะลุทะลวงสิ้นไส้สิ้นพุงเพียงใดก็ยิ่งทําให้คุณดีใจที่เขารู้จักคุณมากขึ้นเท่านั้นบทนี้เรามุ่งให้คนรักได้รู้จักรักษาความรู้สึกที่ดีต่อกันไว้ฉะนั้นต้องบอกว่าดีเหมือนกันถ้ารู้ใจคนรักเสียบ้าง เพราะการรู้ใจจะทําให้คุณปฏิบัติตัวถูกแบบทราบทางลมว่าควรไปทางไหนอย่างไรจะดีไหมถ้าคุณพูดกับคนรักดีๆแต่อีกฝ่ายกลับทําหน้าบึ้งใส่คุณไม่ต้องทําความเข้าใจให้เหนื่อยก็แค่รู้ว่าคนรักกําลังอารมณ์บอดจอยเรื่องเพื่อนเรื่องงานเรื่องเงินและเรื่องอื่นๆไม่ใช่เรื่องคุณ จะดีไหมถ้าคุณอยากมีเซ็กแต่เห็นเข้าไปในสภาพร่างกายและจิตใจของคนรักแล้วรู้ว่ากำลังเหนื่อยอ่อนเกินกว่าจะมารับสึกกับคุณไหวคุณจึงเข้าใจและไม่อยากรบกวนไม่เริ่มรุกให้คนรักราคาญใจตั้งแต่ต้นเมื่อคำหนึ่งว่าเมื่อคนเราตกลงปลงใจร่วมหอลงรงกันแล้วความรู้สึกนึกคิดในหัวคงเป็นอะไรที่ปิดแบบอยากเปิด ไม่ต่างจากของรับทางกายสักเท่าใดเห็นครั้งแรกอาจเหนียมอยู่บ้างแต่ดูบ่อยเข้าก็เฉยเฉยไม่ตื่นเต้นอะไรอีกแล้วจะรู้สึกดีด้วยถ้าเอาใจของกันและกันมาใส่ใจกันพอไม่ตื่นเต้นกับการรู้ใจกันและกันนั่นแหละแปลว่าสนิทยิ่งกว่าสนิทมีความแน่นแฟ้นเหนือคู่รักอื่นอย่างเทียบกันไม่ติด ลองคิดดูว่าคนเราถ้าเปิดอกเผยใจกันเต็มร้อยไม่ต้องกลัวอีกฝ่ายจะดูแคลนหรือเกลียดกลัวสามารถพูดปรึกษาตรงไปตรงมาแบบคิดอย่างไรพูดอย่างนั้นราวกับคุยอยู่กับตัวเองมันจะวิเศษขนาดไหนเมื่อต่างฝ่ายต่างเห็นใจกันจริงๆคุณจะรู้สึกเหมือนบ้านเป็นวิมานและไม่ต้องการความเห็นใจจากใครอีกทั้งโลก และอันที่จริงก็ไม่น่าตื่นกลัวอะไรมากหรอกนะครับเพราะที่จะให้ล่วงรู้เข้าไปละเอียดเป็นคำคำนั้นใช่จะหาคนทำได้ง่ายๆคนทำได้เนี่ยยากที่จะอยากใช้ชีวิตคู่เนื่องจากต้องไม่ฝักใฝ่ในกามารมต้องไม่มีอคติหยับหยาบต้องสะอาดด้วยศีล ร, ระดับสูงต้องปราศจากความฟุ้งซ่านซัดใสจิตจึงเสถียรพอ จะอยู่ในภาวะเป็นใหญ่สงัดเงียบผ่องใสสามารถรับคลื่นความคิดของใครต่อใครได้แบบเป็นคำๆจุดมุ่งหมายหลักสำหรับส่วนที่เหลือของบทนี้คือการแนะให้คุณรู้เฉพาะสิ่งที่ควรรู้เพื่อเอาไว้รักษาความรู้สึกต่อคนรักไปนานๆและเป็นอะไรที่ง่ายๆที่คนรักควรรู้กันอยู่แล้วเช่นจิตกำลังมีราคะหรือไม่มีราคะ จิตกำลังมีโทสะหรือไม่มีโทสะจิตกำลังมีความหลงผิดหรือไม่มีความหลงผิดเป็นต้นผมจะทำให้คุณรู้สึกว่าระหว่างเล่นกับความรักคุณสามารถเล่นกับจิตไปด้วยพร้อมกันพูดง่ายๆคือเอาความรักที่มีอยู่นั่นแหละมาทำความรู้จักกับจิตตัวเองและคู่ครองให้รู้ดำรู้แดงกันไปแล้วคุณจะรู้ว่า ความรักที่เพิ่มคูณขึ้นอย่างล้นหลามนั้นเกิดขึ้นขณะฝึกรู้ใจนั่นแหละไม่จําเป็นต้องรู้ใจกันได้จริงๆเสียก่อนเลยเพราะวิธีฝึกรู้ใจนั่นเองจะทําให้คุณเกิดนิสัยเอาใจเขามาใส่ใจเรามากขึ้นสรุป ค, คือการเอาใจเขามาใส่ใจเรานั่นแหละครับตัวการสําคัญที่จะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักแนบแน่นขึ้น ฝึกรู้จักกระแสความรักของตอนเองลองถามตัวเองว่าคุณรักเขาไหมถ้าต้องช่างใจหาคำตอบเกินพริบตาเดียวแล้วว่าดีกรีความรักที่คุณมีต่อเขาคนนั้นยังต่ำอยู่คุณอาจรู้สึกถึงอาการชะงักอาการอึดอัดอาการสับสน อาการควานหาคำตอบจากก้นบึง้งแต่ถ้าตอบสวนทันทีด้วยความเต็มใจสุดๆว่ารักแน่นอนก็ลองสังเกตดูเถิดว่าอาการทางจิตแตกต่างไปขนาดไหนทันทีที่คุณนึกถึงเขาหรือเธอจะเกิดความสว่างหวานหนุนขึ้นมาทันทีขับดันให้ตอบทันทีว่ารักชัวแค่รักหรือไม่รักก็ทำให้คุณสังเกตอาการทางจิต รู้จักจิตของตัวเองได้แล้วไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรเลยถ้ารักมากจะมีแรงดึงดูดสูงจนอยากเอื้อมแขนไปดึงเข้ามากอดถ้ารักน้อยจะมีแรงดึงดูดต่ำจนน่าสงสัยถ้าเฉยเฉยจะไม่มีทั้งแรงดึงดูดและแรงผลักออกแต่ถ้าเกลียดหน่อยจะมีแรงผลักออกเล็กน้อยและถ้าเกลียดมากจะมีแรงผลักออกแทบบันดาลให้อยากยกเท้าถีบส่ง เอาคนรักเป็นตัวตั้งตอนเจอกันให้สังเกตใจตัวเองเป็นขณะขณะคุณจะพบรายละเอียดต่างๆมากมายภายในสิบนาทีอาจมีแรงดึงดูดไม่เท่ากันหลายระดับบางช่วงมีแรงดึงดูดมากพอเผลอก็คลายไปและอาจกลับมาดึงดูดใหม่แต่แรงไม่เท่าเดิมถ้าคุณรักเขาหรือเธอจริงสิ่งที่จะคงเหลือยาวนานกว่าความดึงดูดก็คือความสบายใจ ตราบเท่าที่ยังเห็นหรือนึกถึงคนที่คุณรักตราบนั้นคุณจะมีความสบายใจเป็นตัวยืนแม้จะไม่รู้สึกถึงแรงดึงดูดให้อยากใกล้หรืออยากกอดเลยก็ตามทีหากความรักมีการราคะเจืออยู่คุณจะรู้สึกถึงกระแสะความคันในกายและจิตจะพุ่งเน่าไปที่คนรักด้วยความโลภอยากครอบครองกายใจไว้ในมือคุณคนเดียว แต่หากไม่มีการราคะเจืออยู่เลยคุณจะไม่รู้สึกถึงอาการผิดปกติทางกายแต่จะรู้ชัดเข้ามาที่กลางใจใจจะเบาเนื้อตัวเหมือนโปร่งแสงไปชั่วขณะยิ่งถ้ารู้สึกสว่างโล่งจิตไร้อาการเกี่ยวกระหวัดรัดร้อยอันนั้นแหละครับความรู้สึกรักที่อยู่เหนือกามารมซึ่งเกิดขึ้นได้เป็นบางครั้งบางคราวกับรักแท้ของคุณ บางขณะความรักทำให้จิตของคุณกระวนกระวายโดยที่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาอย่างไรกับเขาหรือเธอดีอันนี้แปลว่าทั้งดึงดูดและผลักออกตะปนระคนกันจนน่าสับสนสภาพต่างๆที่ถูกสังเกตและถูกจดจำได้จากตัวเองนั้นก็เป็นสภาพอันเดียวกับของคนอื่นนั่นแหละถ้าคุณสัมผัสรู้สึกถึงภาวะทางใจของตัวเองได คุณก็จําไว้ไปเทียบเคียงกับของคนอื่นได้เช่นกันฝึกรู้จักกระแสความรักของคนอื่นเมื่อเริ่มฝึกดูใจคนอื่นนะครับอย่าจ้องหน้าอย่าใช้สายตาเวลายืนอยู่ต่อหน้าเขาหรือเธอ ให้ถามตัวเองว่าปฏิกิริยาทางใจที่มีต่อคุณขณะนั้นเป็นไปในทางพอใจหรือไม่พอใจสบายใจหรือขุนข้องถ้าเป็นไปในทางพอใจคุณจะรู้สึกถึงสภาพดึงดูดเหมือนจะเหนียวคุณไว้แต่หากเป็นไปในทางไม่พอใจคุณจะรู้สึกถึงสภาพผลักออกเหมือนพยายามยันไม่ให้มาใกล้ ความรู้สึกที่ออกมาในช่วงแรกที่ศบตาหรือทักทายกันจะเด่นชัดที่สุดแซงปลอมแปลงกันได้ยากที่สุดถักจากช่วงแรกจะเป็นความรู้สึกขั้นพื้นฐานคือสบายใจหรือขุนคล่องที่จะอยู่กับคุณถ้าเป็นไปในทางสบายใจคุณจะรู้สึกถึงความโปร่งเบาเปิดออกไม่คับแคบแต่หากเป็นไปในทางขุนคล่อง คุณจะรู้สึกถึงความทึบตันหรืออึ้งอึหนักหรือเป็นกระแสความระคายวิ่งไปวิ่งมาวนเวียนอยู่ในใจฝ่ายนั้นสังเกตใจตนเองควบคู่ไปด้วยก็จะเห็นความพิสดารระหว่างใจมนุษย์ด้วยกันมากขึ้นหากเขากับคุณต่างสนใจกันและกันอย่างเท่าเทียมจะรู้สึกราวกับเป็นคู่แม่เหล็กที่ส่งแรงกระทาดึงดูดต่อกันอยู่อย่างหนักหน่วงแทบเผลอกอดจูบลูกคลาต่อหน้าทารกํานันได้ ความดึงดูดแบบเนี้ยไม่ต้องสอนก็รู้สึกเองเพียงแต่ยากหน่อยที่จะเจอคนที่สนใจคุณเท่ากับที่คุณสนใจเขาพอดิบพอดีแต่หากเขาหรือคุณต่างหมั่นไส้ไม่อยากคุยกันจะรู้สึกเป็นแม่เหล็กอีกแบบที่ส่งแรงกระทาเป็นผลักกันออกห่างอย่างแรงความรู้สึกผลักไสหรือต่อต้านไม่ใช่ของหายากเจอตามถนนหนทางได้ถมไป หากฝึกสังเกตไปเรื่อยคุณจะค่อยๆแ ย, ยกยะถูกว่ามีองค์ประกอบแยกย่อยใดร่วมอยู่กับแรงดึงดูดและแรงผลักออกเช่นในความดึงดูดระหว่างกันนั้นมาจากการราคะเป็นหลักหรือมีความชื่นชมจากใจที่ใสสะอาดและในแรงผลักใส่ระหว่างกันมีอารมณ์พยาบาทแฝงอยู่หรือมีแต่ความขุนเคืองเล็กๆน้อยๆที่ไร้รากแก้ว เดิมทีคุณอาจเคยชินกับการสังเกตแค่สีหน้าและท่าทางเช่นเมื่อใครใจดีเขาจะเบิกตาโตยิ้มกว้างและเสียงใสแต่ถ้าเย็นชาจะคอแข็งไม่ยิ้มไม่สนใจแต่พอฝึกสัมผัส จ, จิตคุณอาจเห็นไปอีกแบบคือสภาพจิตคนอาจขัดแย้งกับสีหน้าท่าทางอย่างรุนแรงอาจถึงขั้นเป็นตรงกันข้ามเลยทีเดียว นั่นเพราะมนุษย์เป็นนักซ่อนอารมณ์โดยเฉพาะผู้หญิงบางคนนะครับแอบหลงรักผู้ชายคนหนึ่งหลายปีแต่กลับแกล้งทําเป็นไม่สนหรือกระทั่งแสดงสีหน้ารังเกียจกลัวเพื่อนล้อหรือเกรงใครจะว่าตาบอดมาหลงคนไม่เอาไหนหรือไม่ก็อายที่รู้สึกอย่างนั้นเป็นครั้งแรกแต่ใจนี่หลอกกันไม่ได้หรอกถ้าสนใจต้องมีแรงดึงดูดออกมาให้รู้แน่ๆทั้งนี้ทั้งนั้น ขอบอกว่ากระแสะความดึงดูดหรือผลักออกเนี่ยจัดเป็นของตื้นนะครับสัมผัสได้ง่ายๆแต่ไม่ประกันว่าบอกอะไรลึกซึ้งแค่ไหนคุณต้องเก็บข้อมูลสังเกตเอาโดยอาศัยใจตนเองเป็นหลักแล้วจะพบว่าความดึงดูดแบบต่างๆมีลักษณะวิจิตพิสดารหลากหลายขนาดไหนเอาหลักสังเกตไปคร่าวๆแค่สามข้อก่อน และคุณจะเจาะจงรายละเอียดลึกลงไปตามลำดับได้ในภายหลัง 1. ความรักฉันญาติมิตรทำให้จิตของคุณและอีกฝ่ายมีแรงดึงดูดอ่อนๆให้ความรู้สึกอบอุ่นกันเอง 2. ความนิยมชมชอบดูเหมือนใกล้เคียงกับอารมณ์รักเพียงแต่ความนิยมจะมีเพียงจิตที่สดใส อาจมีแรงดึงดูดบ้างแต่ก็ไม่ถึงขนาดวาบหวาม 3. ความเมตตาอยู่เหนือก า, มารมณ์เพราะรู้สึกดีเหมือนส่งสุขให้กันด้วยใจแต่ไม่แวะมาคล้องเกี่ยวกับก า, มารมณ์ไม่เกาะเกี่ยวกัะหวัดรัดรึงไม่มีความกระสับกระส่ายกระวนกระวายภายในกายให้รู้สึกเลย เปรียบเหมือนคนรดน้ำต้นไม้โดยหวังเพียงความฉ่ำชื่นตอบแทนกลับมาในขณะกำลังรินน้ำอยู่นั่นเองฝึกจำกระแสจิตประกอบคำพูดตอนคนรักคิดอะไรในหัวถ้าไม่พูดคุณก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไร และต่อให้เขาพูดอะไรออกมาก็ไม่แน่ว่าสิ่งนั้นจะตรงกับความคิดที่แท้จริงหรือไม่ยกตัวอย่างนะครับถ้าคุณอุตส่าห์ไปเลือกดอกไม้มากำ น, นันเมื่อถามคนรักว่าสวยไหมแน่นอนต้องมีการตอบตามธรรมเนียมทันทีว่าสวยคำตอบหรือคำอุทานสั้นๆเนี่ยจะเป็นแบบฝึกหัดให้เข้าไปรู้ความคิดข้างในได้อย่างดี อย่างเช่นคำว่าสวยคำเดียวคุณฟังแล้วบอกได้ว่าอะไรเป็นตัวขับออกมาถ้าออกมาจากหัวใจที่พองโตคุณจะรู้สึกถึงแรงปีติในอากาศกลางอกของคนตอบจะเปิดโล่งเบ่งบานแล้วก็เนินนานพอสมควรถ้าออกมาจากความยินดีธรรมดาธรรมดาคุณจะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงจากก่อนหน้าที่เฉยๆกลายเป็นสุขสดชื่นเล็กน้อย และจางลงอย่างรวดเร็วแต่หากออกมาจากการเล่นละครคุณจะรู้สึกถึงความว่างเปล่ามีแต่การฉีกยิ้มหรือส่งเสียงกรี๊กราดภายนอกไร้ปีติสุขภายในอย่างสิ้นเชิงและหากถึงขั้นออกมาจากการฝืนกัดฟันพูดคุณจะรู้สึกถึงอาการกลั้นใจและอึดอัดกลางอกหน่อยๆกับทั้งคาอยู่อย่างนั้นค่อนข้างนานกว่าจะหายไป การสังเกตความรู้สึกของอีกฝ่ายขณะตอบคำถามหรืออุทานสั้นจะพาคุณเข้าไปลึกกว่านั้นคุณจะสังเกตเห็นว่าก่อนเปิดปากพูดทุกคนจะมีห่วงความคิดหนึ่งเกิดขึ้นก่อนและส่งเป็นคลื่นไร้รูปออกมาให้คุณสัมผัสได้คล้ายคลื่นกระแทกที่มีความแรงหรือความเบาต่างกันคุณไม่ต้องพยายามแปลไม่ต้องตีความใดๆทั้งสิ้นแค่สังเกตและจดจากระแสแบบนั้น ที่ส่งออกมาจากฝ่ายนั้นเอาไว้เฉยๆความคิดในหัวของคนคนหนึ่งก็คือคำพูดของเขาที่คุณได้ยินอยู่เรื่อยๆนั่นแหละครับใช้คำพูดไหนเป็นประจาคำพูดนั้นก็จะอยู่ในหัวของเขาบ่อยหน่อยหากคุณจับกระแสจากใจในขณะที่เขาพูดได้คุณก็จะจำได้เมื่อมันเกิดขึ้นอีกแม้เขาจะไม่เปิดปากแปลงเสียงออกมาเลยก็ตาม ยกตัวอย่างเช่นถ้าเขาเป็นคนชอบพูดคําว่าบ้าจริงๆคุณจะได้ยินเขาอุทานทุกครั้งที่อยากด่าใครแต่หากอยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่ที่เขาเกรงใจก็จะมีแต่คําว่าบ้าจริงๆหรืออะไรคล้ายๆอย่างนั้นอยู่ในหัวโดวยไม่เล็ดรอดออกมาทางปากทว่าคุณก็จะจับได้ว่ามันอยู่ในหัวเขาเพราะจําแบบแผนเคลื่นความคิดเดียวกันได้ ความคิดที่ประกอบด้วยอารมณ์จะถูกเห็นง่ายกว่าความคิดประเภทสักแต่คิดยกตัวอย่างง่ายที่สุดเช่นคำว่าเอาของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันบางคนตอบว่าเอาจะเจือด้วยกระแสความรู้สึกเต็มใจจริงจังในขณะที่อีกคนพูดคำเดียวกันนี้จะเบาหวงเรื่อยเฉยไม่หนักแน่นคล้ายเอาก็ได้ไม่เอาก็ไม่เป็นไร หากยินดีจะฝึกรู้ใจกันจริงๆเพื่อให้เชื่อมั่นว่าไม่ใช่อุปาทาหลอกๆก็ให้เอาเศษกระดาษเล็กๆมาสามชิ้นเขียนเลขหนึ่งถึงสามลงไปจากนั้นสุ่มเลือกขึ้นมาชูเพื่อให้คนรักอ่านเลขนั้นๆออกเสียงอย่างเต็มปากเต็มคำเลือกสลับไปสลับมาระหว่างนั้นคุณก็จับตาดูสบายๆและพยายามจำให้ได้ว่า มีลักษณะคลื่นจิตแบบไหนปรากฏร้อมคำพูดหากยากยะได้ว่าแต่ละเลขมีคลื่นประจาที่แตกต่างกันวนเวียนกี่ทีคุณก็สัมผัสได้เป๊ะๆแบบนั้นนั่นแสดงว่าคุณสัมผัสเข้าไปถึงคลื่นความคิดของคนรักแล้วที่จะหมดความสงสัยคือให้คนรักนึกถึงตัวเลขระหว่างหนึ่งถึงสในหัวโดยไม่ต้องพูดบอกและคุณใช้ความรู้สึกเอา ว่าสัญญาณคลื่นความคิดของคนรักตรงกับเลขใดอันนี้ต้องตกลงกันดีๆด้วยนะครับถ้าแกล้งคิดเป็นเลขอื่นหลอกกันคุณจะสับสนและเสียกำลังใจต่อจิตกันไม่ติดไปเลยและสำคัญคือห้ามใช้วิธีดูตาและคาดเดาย้ำว่าคุณต้องสัมผัสถึงคลื่นความคิดที่ส่งออกมาจากหัวของอีกฝ่ายเท่านั้น ฟังให้เข้าใจและลองทำตามขั้นตอนข้างต้นอย่างใจเย็นหากทายสิบครั้งคุณถูกเกินห้าครั้งขึ้นไปให้ถือว่าเริ่มสัมผัสคลื่นความคิดของคนรักได้แล้วก็อาจจะถึงตาคนรักให้ลองสลับข้างกับคุณบ้างหากต่างฝ่ายต่างทายถูกอย่างแม่นยำให้เพิ่มเลขขึ้นทีละหนึ่งคือเป็นสี่ห้าหกไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่ง จะพบว่าไม่ต้องให้คนรักอ่านเลขออกเสียงให้ฟังก่อนคุณก็อาจทายถูกและที่ตรงนั้นคุณจะเริ่มจำคลื่นความคิดที่ซับซ้อนของคนรักมากขึ้นเรื่อยๆได้โดยเฉพาะความคิดสั้นๆที่เขาหรือเธอชอบพูดให้คุณได้ยินติดหูนี่เป็นคำอธิบายว่าคู่รักบางคู่พออยู่กันนานๆแล้วทำไมจึงรู้ความคิดกันได้โดยไม่ต้องพูด คำพูดที่ตรงไปตรงมาต่อกันย่อมก่อกระแสความคิดเป็นคลื่นแบบเดิมๆให้คุ้นเคยซึ่งสัมผัสแล้วจำได้ทันทีว่าแบบนี้เอาไม่เอาชอบไม่ชอบผิดกับคู่รักส่วนใหญ่ที่แม้อยู่กันมาทั้งชีวิตเห็นกันมาทั้งชีวิตก็ไม่เคยรู้ใจกันเลยนั่นก็เพราะไม่เคยเอาใจเข้ามาใส่ใจตนหรือไม่เคยแม้กระทั่งสังเกตว่าอีกฝ่ายกาลังพอใจหรือขุนเคือง มีแต่ใส่ใจว่าตนอยากได้สิ่งใดพอใจหรือไม่พอใจอย่างไรท่าเดียวฝึกรู้สึกถึงกันจากทางไกลหากฝึกรักษาความรู้สึกกันและกันตามที่กล่าวแล้วทั้งหมดในบทนี้ ก็เท่ากับพวกคุณจูนจิตให้ตรงคลื่นกันได้อย่างยากจะหาคู่ใดเสมอเหมือนพวกคุณจะรู้สึกว่ากำลังมองไปในทางเดียวกันตลอดเวลาเดินควงคู่อยู่บนดินก็เหมือนบยบินไปในฟ้ากว้างด้วยการเป็นปีกซ้ายและปีกขวาให้กับรักแท้จิตที่ประนีตเสมอกันด้วยบุญคือมีศรัทธาศีลจาคะและปัญญาเสมอกัน คลื่นจิตโดยรวมจะมีความใกล้เคียงกันมากยิ่งหากฝึกรู้ใจเล็งจิตกันและกันเข้าไปอีกพวกคุณจะพบด้วยความอัศจรรย์ใจว่าสิ่งลึกลับในหัวของคนเราอาจถูกรู้กันได้ง่ายๆแค่นี้เองความเพลินในการและกันจะมีรสหลากหลายทั้งทางกายและทางใจแม้กายห่างกันก็เหมือนใจสัมผัสกันได้คล้ายอยู่ใกล้ คุณหาความมั่นใจได้ตั้งแต่ตอนอยู่ในบ้านใช้ชีวิตตามปกติไม่ต้องนัดแนะกันเป็นพิเศษเมื่ออยู่ต่างห้องกันให้นึกถึงคนรักถามตัวเองว่าคนรักกำลังสบายใจหรืออึดอัดใจกำลังเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ทันทีนั้นเองกระแสะความผ่อนคลายหรืออึดอัดจะมาปรากฏในใจคุณทันทีถ้าเป็นสุขสบายใจเต็มที่ จะเห็นเหมือนเกิดแสงสว่างเต็มดวงขึ้นในใจคุณและพลอยทำให้คุณเกิดความเบิกบานตามไปด้วยถ้าแค่สบายใจธรรมดาจะเห็นเหมือนแสงสว่างครึ่งครึ่งซึ่งอาจไม่มีผลใดๆกับความรู้สึกของคุณถ้าอึดอัดใจมากจะเห็นเหมือนเกิดความมืดขึ้นในใจคุณและพลอยทำให้คุณเกิดความคับค้องตามไปด้วยถ้าแค่อึดอัดธรรมดา จะเห็นเหมือนความมืดสลัวซึ่งอาจไม่มีผลใดๆกับความรู้สึกของคุณสำรวจดูดีๆว่าคุณแค่ทำความรู้สึกถึงเขาธรรมดาธรรมดาหรือมีความอยากให้เขาเป็นสุขเป็นทุกข์แบบหนึ่งๆถ้าจับได้ไล่ทันตัวเองว่าตั้งความอยากไว้ก็ให้ทราบเลยครับว่าความอยากคือตัวเบี่ยงเบนสัมผัสให้บิดเบี้ยวและผิดพลาด เพื่อพิสูจน์ว่าคุณรู้สึกถูกต้องให้เดินหาคนรักจนเจอและถามตัวเองซ้ําอีกครั้งว่าด้วยอิริยาบถปัจจุบันของคนรักนั้นเขาหรือเธอกําลังรู้สึกอย่างที่คุณสัมผัสได้จากอีกห้องหนึ่งหรือเปล่าและเพื่อยืนยันให้เกิดความมั่นใจชนิดไม่มีทางพลาดให้ทักถามคนรักไปตรงๆว่ากําลังรู้สึกประมาณนั้นประมาณนี้อยู่ไหมถ้าคําตอบออกมาถูกหลายๆครั้ง คุณจะเชื่ออย่างไม่สงสัยอีกต่อไปว่าตนสัมผัสจิตคนรักจากทางไกลได้จริงไม่ใช่อุปาทานไปเองจิตไม่มีระยะทางเพราะอยู่ในอีกมิติหนึ่งที่เป็นต่างหากจากกว้างยาวลึกฉะนั้นแม้พวกคุณอยู่ห่างกันถึงดาวพระศุกร์คุณภาพของจิตสัมผัสก็จะไม่ลดทอนลงตามระยะทางแม้แต่น้อยจิตสัมผัสของรักแท้ เป็นของเล่นชิ้นหนึ่งที่น่าสนุกและความสนุกนั้นก็จะทําให้คุณติดใจในการและการมากขึ้นเรื่อยๆกับทั้งอยากสื่อสารให้รู้ซึ้งยิ่งยิ่งขึ้นไปรากับเป็นคนเดียวกันจริงๆไม่เป็นอื่นต่อกันจริงๆและจิตสัมผัสจะไม่มีผลกระทบข้างเคียงหากคุณหมันพิจารณาว่าสิ่งที่สัมผัสได้เป็นเพียงภาวะหนึ่งเกิดขึ้นเดียวหนึ่งแล้วก็ดับ ไม่ต่างจากลมฟ้าอากาศที่มีร้อนบ้างเย็นบ้างสลับกันความไม่ยึดมั่นถือมั่นจะทำให้คุณยังคงเป็นตัวของตัวเองไม่ติดค้างคาใจไม่ถือสาความคิดหยุมหยิมของใครแต่ด้วยความยึดมั่นถือมั่นต่อให้ไม่รู้จริงว่าใครคิดอย่างไรคุณก็จะทึกทักและปากใจเชื่ออยู่อย่างนั้นว่าเขากำลังคิดอย่างที่คุณสาคัญผิดว่าเขาคิด หากคลื่นจิตเท่ากันเหลงตรงกันหูกพันกันอยู่เสมอ ๆ, ๆก็อย่าแปลกใจเมื่อถึงเวลาหนึ่งมีเสียงของคนรักดังขึ้นในหัวได้ยินชัดๆเหมือนหูฟังเสียงเพียงแต่นี่เป็นเสียงที่คุณรู้ว่าเกิดขึ้นกระทบใจไม่ใช่ความสั่นสะเทือนผ่านอากาศมากระทบแก้วหูการมีเสียงของคนรักดังขึ้นในหัวไม่ใช่ปาฏิหาริย์แต่เป็นธรรมชาติของจิต ที่ทําตัวเป็นคลื่นรับส่งย่านเดียวกันหลายคู่ก็เกิดประสบการณ์ทํานองนี้หรือยิ่งกว่านี้โดยไม่ต้องฝึกเพียงแต่ไม่ถึงระดับสื่อสารสองทางราวกับคุยโทรศัพท์เพราะถึงขั้นนั้นต้องเรียกว่าเป็นโทรจิตแล้วการมีโทรจิตต้องอาศัยความนิ่งและคุณภาพของจิตอีกระดับหนึ่งใจคุณต้องคิดน้อยลงกว่าธรรมดาเกิน 90% อร์ ด้วยการเอาใจไปเกาะอยู่กับเครื่องทำความสงบเช่นลมหายใจหรือกสินซึ่งยากที่ชาวบ้านทั่วไปจะทำเอาแค่สัมผัสใจตอนตัวห่างไกลได้ก็สนุกพอแล้วแน่นแฟนกว่าคู่อื่นไม่รู้เท่าไรแล้วครับอย่าไปไกลถึงขั้นโทรจิตเลยฝึกฝันร่วมกัน การฝันร่วมกันแทบเป็นประสบการณ์สามัญสำหรับคู่รักที่นอนพร้อมกันและก่อนนอนคุยกันไปจนหลับทั้งนี้เนื่องจากจิตก่อนหลับจะถูกโยงเข้าหากันหรือกระทั่งเลงตรงกันโดยมีข้อเรื่องที่พูดคุยกันเป็นตัวเหนี่ยวนำพอหลับลงไปจึงมีคลื่นจิตของอีกฝ่ายมากระทบใจทําให้เห็นนิมิตฝันเป็นการและกันในเรื่องราวคล้ายคลึงกัน ฝันร่วมกันของคู่รักธรรมดามักจะตรงกันเพียงบางส่วนเช่นฝันว่าไปเที่ยวน้ําตกด้วยกันก็จริงแต่สอบถามดูจะพบว่าฝ่ายหนึ่งไปเที่ยวน้ําตกในแองกอราร่าส่วนอีกฝ่ายไปเที่ยวน้ําตกที่ไหนไม่รู้รู้แต่ไม่ได้ใหญ่เมือหึมาขนาดในแองการ่าแน่นอนหากอธิบายตามหลักจิตวิทยาขั้นพื้นฐานก็คือทั้งสองอาจคุยกันในแบบที่ทําให้รู้สึกชุ่มฉ่าประมาณเดียวกับไปเที่ยวน้ําตก แต่น้ำตกในความประทับใจอยากไปเที่ยวของฝ่ายชายอาจเป็นในแองการ่าในขณะที่ฝ่ายหญิงไม่มีความปรารถนาหรือประทับใจในแองการ่าเป็นพิเศษมาก่อนแต่ยังมีฝันอีกแบบหนึง่งซึ่งพ้นไปจากฝันธรรมดาแต่เป็นการร่วมฝันในความหมายของการร่วมสร้างในมิตฝันขึ้นมาด้วยกันจริงๆกับทั้งฝึกบังคับให้เป็นไปตามปรารถนาได้ด้วยเช่น ตกลงกันไว้ล่วงหน้าว่าถ้าเจอกันในฝันจะบินไปด้วยกันหรือไปดำน้ำเล่นกันการฝึกถ้าให้รัดที่สุดนะครับต้องการคู่รักที่มีศรัทธาศีลจาคะและปัญญาเสมอกันดีแล้วรูว้วาระจิตกันพอสมควรแล้วเคลื่อนจิตอยู่ในย่านเดียวกันแล้วที่เหลือจากนั้นก็เล่นไม่ยากทำอย่างไรก็ได้ให้จิตไปจดจอ่อกับความฝันของอีกฝ่ายเช่น มันถามว่าเมื่อคืนฝันถึงกันและกันบ้างหรือเปล่าฝันว่าอะไรและตั้งคอสังเกตอย่างเป็นกิจจากลักษณะคุยเฟื้องกันไปเลยว่าคุณอยู่ในความฝันของคนรักโดยมีความหมายแบบใดขุดคุยเรื่องฝันฝันมาคุยกันให้เยอะๆแล้วจิตจะเล็งอยู่กับความฝันของกันและกันไปเองพอก่อนนอนให้ตกลงกันธรรมดาธรรมดาอย่าตั้งใจมากเอาแค่ว่า ถ้าเจอกันในฝันคืนนี้นะลองจับมือกันบินจากพื้นขึ้นฟ้าไปในแนวตั้งแล้วมองลงมาว่าเห็นอะไรช่วยกันจำไว้ตรวจดูกันตอนเช้าว่าตรงไหมหากคืนนั้นต่างคนต่างฝันไปคนละเรื่องก็ไม่เป็นไรให้ทำความตกลงกันอีกทุกคืนจะเปลี่ยนแนวไปทางไหนก็ได้เพราะบางทีจิตต้องเจอเรื่องที่สนใจพร้อมกันจริงๆจึงจับติด เอาไปเป็นนิมิตฝันได้ประสบการณ์แรกๆในการเจอกันในฝันอาจนำหน้าด้วยฝันมั่วเลอะเทอะทั่วไปแต่พอเกิดนิมิตของคนรักก็จะกระตุ้นเตือนความทรงจำว่าเจอกันในฝันจะทำอะไรบ้างและนั่นแหละนิมิตฝันจะเป็นไปตามที่ถูกโปรแกรมไว้ก่อนหลับคลื่นจิตเป็นสิ่งอ่อนไหว ไม่มีทางที่คุณจะบังคับดังใจว่าต้องเกิดฝันร่วมกันในคืนนั้นคืนนี้แต่ที่แน่คือถ้าคืนไหนจะพลัดจะผลูมีการละกันในฝันขึ้นมาคืนนั้นพวกคุณจะสนุกมากอาจเหมือนตละลุยผจญภัยอย่างน่าตื่นเต้นไปในนิทานอาหรับราตรีด้วยกันซึ่งไม่มีทางจะเกิดขึ้นจริงเลยในชั่วชีวิตคนธรรมดาเดินดินถ้าจุดเครื่องติดแค่ครั้งเดียว คุณจะร่วมฝันด้วยกันได้อีกบ่อยๆโดยอาจไม่ต้องสร้างข้อตกลงเป็นพิเศษเพราะจิตขณะหลับจะทำงานเองจูนกันติดเองเป็นอัตโนมัติพวกคุณจะได้ทำความรู้จักกันมากขึ้นเข้าถึงกันมากขึ้นเพราะความฝันคือส่วนสํานึกครึ่งดิบครึ่งสุกทุกสิ่งจะไม่เหลือเป็นที่ปิดบังกันอีกเลยและถ้าต้องฝันร้ายด้วยกัน จิตสำนึกของความเป็นคู่แท้ที่สร้างกันมาจะบรรดานิมิตไปในทำนองฉุดมือช่วยกันอยู่กอดคอร่วมกันตายแน่นอนตื่นขึ้นมาพวกคุณอาจอยากร้องไห้กอดกันแน่นด้วยความดีใจที่เป็นเพียงฝันกับทั้งเห็นใจการลึกซึ้งขึ้นเชื่อมั่นว่าถ้าเป็นอย่างในฝันจริงก็จะไม่ทอดทิ้งกันแน่นอน ทิ้งท้ายหวังว่าบทนี้คงช่วยให้คุณเห็นแนวทางที่จะเป็นสุขกับการมีรักเดียวใจเดียวได้ตลอดไปแน่นอนว่าไม่ง่ายแต่เป็นไปได้แน่ถ้าเอาจริงเมื่อคุณสามารถรักษาความรู้สึกไว้ได้ตลอดรอดฟังโจทย์สำคัญข้อต่อไปคือพอถึงเวลาต้องจากกันคุณจะทำอย่างไรดี